ตวตัวนี้มงหมดาเียกันห่ออรหังสัมมาสัมพุทโธาวัังมหากวันตังอิวาทสวะ โตมาคาวตาโมธรรมนามาสามีสุภะิปันโนมาคาวโตสาวตาสังโบสังฆนามนมส พโมนากับพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่จะศึกษาระธีทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ในวันนี้ก็มาขึ้นในสติปัฏฐานสูตรต่อจากเมื่อวานนี้นะในสติปัฏฐานสูตรได้กล่าวถึงองค์คุณของการปฏิบัติด้วยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอริยมร่งที่ได้กล่าว ในเรื่องขององค์คุณของการปฏิบัติที่บอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเป็นต้นเะนี่นะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปีสัมปชานโนสติมาวิในยาโลเกอภิชาดมนะสังมีความเพียรมีสัมปชัญญามีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งเป็นต้นใช่ไหมถามว่าที่พูดตรงนี้ต้องการจะเน้นใน้ดีวว่าเราศึกษาในเรื่องของทิฏฐิ แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าตัวขจัดหรือลาทิฏฐินั้นมีอยู่สามตัวใช่ไก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิพูดในเรื่องของสัมมาวายมะพูดในเรื่องของสัมมาสติแต่ในสติปัฏฐานท่านใช้คาว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะแล้วก็มีสติเอาอาตาปีเนี่ยขึ้นก่อนคือเอวิเรยะที่บอกว่าในข้อแรก รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิใช่แต่ถ้าในสติปัฏฐานก็จะพูดถึงในเรื่องของมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติทีนี้ตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวปัญญาเนี่ย เข้าไปวิจัยไปรอบรู้อะไรไปรอบรู้สัมมาทิฏฐิวันนี้คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปรอบรู้มิจชาทิฏฐิตัววิริยะก็ไปเพียรพยายามในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเพียร น, นั้นถึงจะเรียกว่าสัมมาวยมายามะสติก็ตามระลึกในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิ สตินั้นถึงจะเป็นสัมมาสติเป็นต้นโดยเฉพาะพูดถึงในเรื่องของความเพียรเนี่ยตรงนี้นะปารพไปก่อนว่าเพียรในการที่จะล้างวิชชาทิฏฐิท่านกล่าวไว้ในคัมภี์หลายๆแห่งพูดถึงในเรื่องของอารัพภะธาตุนิกรรมธ า, าตุแล้วก็ปรักกรมธ า, าตุทีนี้คําว่าอารัพภะเนี่ยในบทเนี่ยนะ ถ้าพูดถึงตามในคำสอนที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าอารมพานในคาถาเนี่ยท่านกล่าวไว้หลายที่ในความหมายที่หนึ่งในความหมายที่สองในความหมายที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเกี่ยวในเรื่องของพูดถึงในเรื่องของวิริยะทั้งนั้นเลยในขุทักการนิกายท่านบอกว่าความทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยและกรรมทั้งหลายดับลงความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นมีไม่ได้ไม่ได้ไาแล้วในคําเหล่านั้นคําว่ารำพารำพาในที่นั้นท่านหมายถึงกรรมนี่นี่ไม่ได้เอาตรงนั้นอีกที่หนึ่งเกี่ยวในเรื่องของพระพิธรรมเนี่ยนะท่านก็พูดถึงว่าผู้มีปกติวิปฏิสารเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็ อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ใช้ในความหมายนั้นอารัมพาตรงนั้นนะ่ะแต่ความหมายที่เราใช้กันในความหมายของคาว่าวิริยะที่ประสงค์นั้นนะ่ะหมายถึงหมหากรุตระจิตพระพุทธเจ้าตรัสถึงวิริยารัมพาก็หมายถึงอารัมพาเนี่ยคือความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสวิริยะบอกว่าอารัมพาด้วยอํานาจเป็นผู้ริเริ่มริเริ่มในการที่จะอารัมพาเนี่ยฮะริเริ่มเนี่ย ถามวา่เริ่มเมื่อไรความเพียรเริ่มแรกความเพียรเริ่มแรกประการต่อมาคืออารัมพาเนี่ยเป็นบทแสดงถึงความจริงของวิริยะนั้นเพราะลักษณะของวิริยะเนี่ยมีลักษณะแห่งการเริ่มนิกมะอำนาจแห่งการออกไปจากโกสศชา ค, คือความเกียรติค้านออกจากความเกียรติค้านได้ ปรักรม้าด้วยอำนาจการก้าวไปสู่ข้างหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือปรักรมาเนี่ยนะก้าวไปสู่ข้างหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนศัพท์คําว่าอนะุยามะเนี่ยด้วยอำนาจแห่งการพยายามไปสู่เบื้องสูงก็คือพูดถึงการที่จะละแล้วก็พูดถึงในการที่จะเพียรพยายามที่จะทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดนะให้เกิดขึ้นนะศีล ส, สมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูญยิ่งยิ่งนั่นแหละ อีกศัพท์หนึ่งวายามะเนี่ยพ่ออำนาจถึงความพยายามที่ชื่อว่าอุตสาหะก็ศัพท์นี้ท่านใช้คําว่า ข, ขมีขมันก็ได้ขมักขม่นก็ได้อุตโสระหีพ่ออำนาจถึงความขมักขม่นอย่างมีประมาณยิ่งๆถามมะก็ด้วยอำนาจถึงความมั่นคงถ้าทิฏฐเนี่ยที่ติเนี่ ย, เ, ยเป็นคุณธรรมของท่านของท่านพระนริมั้ยทิีฐิในที่นั้นเพราะอะไรเพราะดํารง หรือดำรงทรงสันดานคือความสืบต่อแห่งกุศลไว้ได้ก็แปลว่าทำการสืบต่อของกุศลได้อย่างมากมายอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าท่านพระนรินเนี่ยมีทิฏฐิคือความเพียรตรงนี้นะท่านเพียรในการที่จะเป็นปสารทำให้กุศลจิตของท่านเดินในมากที่สุดอ่ะแปลว่าในวิธีคิดของท่านเนี่ยท่านจะไม่ให้บาปแทรกมาก หรือน้อยที่สุดได้มากเป็นกุศลจิตเดินอย่างต่อเนื่องทำได้ไหมถ้าในลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าเพียงแบบทิฏฐิเพียนแบบที่คุณสมบัติของท่านบ้านนนคองพ่านนเนี่ยเป็นผู้มีทิฏฐิทั้งทั้งที่เป็นพัสโซดาบันเช่ไหมฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาทิฏฐิเนี่ยที่จะทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นในกม ล, ลขันต์ตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช่ไหมเป็นการจัดแจงกุศลเกิดได้ค่อนข้างดีมากเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าดารงสันดานคือความสืบต่ออย่างกุศลไม่ได้ด้วยอํานาจแห่งการทรงจิตและเจสิกไว้ด้วยอํานาจแห่งการทําจิตและเจสิญกให้เป็นไปอย่างไม่ขาดสายคือปกติในจิตเนี่ยเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายอยู่แล้วแต่ท่านทํากุศลให้เกิดขึ้นติดต่อกันได้นานที่สุดนี่เขาเรียกมีคุณสมบัติอยู่ข้อนึงคือทิฏฐิอันนี้ฟังแล้วน่าชื่นใจใช่ไหม อารรพ์ตรงนี้ต้องชัดบางทีเราไอ้ทีติมีความเพียรเราก็นึกว่าเพียรธรรมดาที่ไหนได้ประคองจิตที่เป็นกุศลได้ยาวไกลมากเห็นไหมเรื่องของความเพียรเนี่ยบางทีเรามองเป็นรูปแบบโอ๊ยคนนี้ขยันเห็นไหมยางว่ามันกลับหัวกับหางไหมความเข้าใจพระธรรมเนี่ยเราไปคิดโอ้โหคนคนนี้ไม่หยุดเลยอ่ะคนมีเพียรมากวิริยะมากสัมมาวายามาดีว่างนั้นเนี่ย ใช่แต่เขาดูปริมาณของเม็ดกุศลที่เกิดขึ้นติดต่อกันมากไหมดูตรงนั้นอะไรจะเข้าไปดูจะรู้ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิต้องรู้ว่ามันเพี้ยนผิดหรือเพี้ยนถูกฉะนั้นเรื่องการเจริญกุศลเนี่ยอย่าไปสร้างกรงเรี่ยไว้ไสร้างรูปแบบมาก่อนมันขังทิฏฐิของตนเองนี่นแหละแล้วทิฏฐิก็สร้างรูปแบบขึ้นมาเยอะแยะหมด ไอ้ตัวมิจาทิฏฐิเนี่ยต้องระวังอย่าไปสร้างรูปแบบเข้ามามันจะบล็อกขังตงเนเองไม่รู้ตัวใช่นั้นตามท่านเน่ยตามพระุทธเจ้าเนี่ยถูกแม้พระพุทธเจ้าสร้างรูปแบบมาพระเจ้ายัางบอกว่าให้รู้จักสมาธิที่ก่อนให้รู้จักมิจฉาทิฏฐิก่อนให้รู้จักสมาสังกปามิชา ส, สมารกรรมตะมิชากรรมบรรปสังกปาป็นต้นไล่ไปตามดับจนถึงมิชาสมาที่สมาสมาธิให้รู้ตรงนี้ก่อน ถ้าคิดจะเดินถ้าคิดจะศึกษาพระธรรมถ้าคิดจะปฏิบัติพระธรรมใช่ไหม เ, เรียนด้วยวิจฉาที่ฐีได้ไหมอ เ, เอาสิตรงนี้เอาสิเรียนไปสิอยากเรียนเรียนไปสิถ้าคุณไม่รู้ตรงเนี้ยคุณก็เรียนผิดเนี่ยแล้วเรียนผิดมาเป็นโทษกับคุณนะแล้วคุณละยากด้วยอะ่ะแล้วที่อัจฉริยะใสาที่เกิดม า, พ า, ม า, าเพื่อความเพ่งโทษบ้างอัจฉริยะใสเกิดมาเพื่อการไม่ขัดเกลาเป็นต้นเหล่านี้บ้างเรียนมาก็ยิ่งหนักหนักหนนัก นั่ไม่ได้แต่ความเครียดความกัวงวลในนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดหมดนี่นะได้แต่ความทุกข์ อ, อกทุกใจกันอยู่ตลอดเวลานี่มันอะไรเนี่ยแล้วก็จะรู้แล้วมันพลาดมันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราตั้งจิตไว้ไม่ตรงใช่ไมถ้าตั้งจิตไว้ไหมศีลที่ถีบไม่ตรงแล้วจะเอาอะไรมากระพริบยันเบื้องต้นยังไม่ได้เลยฮะไม่เป็นเบื้องต้นเนี่ยท่นจะขึ้นสู่กุศลได้ยังไงแค่จะ ก, การจะก้าวขึ้นสู่กุศลนี่มันก็พลาดแล้ว นั้นต้องต้องมองให้ชัดตรงนี้ยิงไหมคุณมอเ <c oughs> นี่ยทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าการเกิดขึ้นโดยไม่ขาดสายอีกนายหนึ่งนะนี่นแรกไปแล้วเอาดูวิริยาตัวเดียวก่อนเนะี่ยเด้ยกลับไปเดียวเสียเวลาดูทิฏฐินี่ต้องการให้รู้ว่าเออบรรดาผู้พียรทั้งหลายเนี่ยแต่สติจริงๆต้องพูดได้ครบชุดนั่นแหละจริงๆแล้วก็คือสภาพของอีกนหนึ่งนิกมาเนี่ยนะ ก็เพราะการบรรเทากรรมทั้งหลายกามาวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาววิตกเนี่ยเปชื่อของวิริยะเขาเพียนในการที่จะละกรรมวิตกหรือบรรเทานั่นเองบรรเทากรรมวิตกเพียนออกจากกรรมเพียนออกจากพยาบาทเพียนออกจากการเบียดคิดเบียดเบียนเขาเพียนออกอย่างเนี้ยนี่เขาเรียกว่านิกรรมะตระกรรมะเพราะตัดความผูกพันเสียได้ไอ้ผูกพันเนี่ยเป็นชื่อของกรรมคุณ ถ้าตัดได้อ่ะเราผูกพันกันนะอย่างเงี้ยนะไอความคิดผูกพันมันมีชื่อของตัณหาใช่ไหมตัณหาเนี่ยมันจะผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผูกพันกับตาหูจมูกเล่นกายใจผูกพันกับจักรุูประศาสตราภาษาาสตร์คานาภาษาจิวภาษากายยาศาสตรรูปอารมณ์สตอารมณ์กันตารมแลารมบุตรตารมแล้วก็ธรรมารมณ์แล้วก็ผูกพันกับกรมาพบรูปพบอรูปพบผูกพันไปทั่ว นั่นอะไรที่มาแจกเอกสารใน ห, หมุนหมนหมุนเนี่ยนีถ่ถ้าถ้าถ้ามาท่องสายทะยายนด้วยตัณหาก็เอาอีกอเขาจะยังเนี่ยมันก็ไปผูกพันอีกแล้วลองใครผิดที่โกรธตายแล้วแต่ใครท่องอเขาจยังนั้นต้องท่องเพื่อหรือสายทะยายเพื่อให้เกิดสติและสัมผัสชัยยะและความเพียรที่ถูกต้องเนียเขาจะยังไหนี่ยตรงเนี้ย งั้นตรงเนี้ยสําคัญมากในกรณีที่เราจะศึกษาพระธรรมอะไรกันต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยวางจิตให้ถูกวางจิตให้ถูกมันเป็นโทษเรงใช่ไหมภาชนะเรา่าเน้นตลอดภาชนะในการจะรองรับพระธรรมของพุทธเจ้าต้องดีต้องตั้งไว้ให้ตรงถ้าตั้งไม่ตรงคนเรียนพระธรรมของพระยาตัวหน้าพระพาก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อกี้เห็นแวบๆที่คุณหมอถ่ายอะไรอริตกาพิครู้ไหมนั่นแหละเรียนธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิ รู้มากกว่าเราอีกทำไมทาไมถึง ไ, ไปอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าตั้งจิตผิดก็ไปแล้วใ้รู้เยอะๆเอาจบประฐานไ ใ, ให้จบปะฐานนเจบจบ้างจบบ้างอันนี้ไม่พูดแล้วเพราะว่าตั้งจิตเรียนไม่ผิดโอ้โหนั่นแกที่ทาไมดูหนังสือแล้วปวดปวดหัวใช่ไหม ดูดูดูไปโอ้หัวร้อนเลยเนะอะปวดหัวทำไมครูสอนจิตไม่เป็นอย่างนั้นไม่เคยเอยใจบ้างเลยเนยแล้ว ม, มเา <ๆ S 2> มเรียนเดูดูโอ้ปวดหัวเลยเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันออกไปข้างนอกหมดแล้วไม่ขับเกลื่อนี้ใช่<笑><笑>ไหมเอ๊ะบอก ท, ทำทําไมบอกดูปวดหัวอาตมาเนี่ยแหละแต่ก่อนเอ๊ะอาตมาเอ่ะใจตอนไปเขาเรียนกันแต่ทีแรกเลยนะ ไปนั่งเรียนกับเขาโอ้โหทำไมครูสอนโหดร้ายแท้ว่านักเรียนบ้างอะไรบ้าง่นักเรียนก็กลัวครูสอนอามากันนึกนี่ทาไมเรียนธรรมะไม่อยู่ความสุขกันเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ใจง่ายแรกเลยนะแล้วามาเนี่เป็นคนไปนั่งเรียนทีแรกก็เข้าไปถามอาจารย์ก็ในห้องกลับมาข้างนอกกอ็ยิ่งใจท่านอาจารย์ก็นั่งคุยหน่อยถามทำไมาเอ้ยเรียนธรรมะมันทำไมถึงกโกรธกันแรงจัง ก็บอกไม่โกรธไม่ได้มันไม่ท่องกันเพราะว่ามันเป็นเงีนยริงมาก็นึกเอจใจเลยไอ้ออคําสอนมันละละาคาทูสามูหามานะนี่ใช่ไหมเราเคยท่องได้เนี่ยเจ๊เจ๊ศึกท่องท่องท่องท่องทองไปแล้วก็พยายามขัดเกลีพยายามขัดเกลียใช่ไหมเราคิดเราอย่างนี้ตลอดนี่วเวลาไปนั่งท่องเรียนเนะี่ะเอ๊แต่ทําไมไม่ควรสอนไม่เป็นเงื้ยนึกในใจเงี้นะแล้วควรสอนที่โกรธ ด, ด้วยนักเรียนส่งแบบผิดเตรกระดอีก บางทีนี่นั่งขันหลังให้นักเรียนงี่นักเรียนก็ต้องส่งไปอย่างนี้นะนมาคิดว่าจะยังไงเนี่ยบางทีก็มีการทบโต๊ะบ้างมีช็อกควางนักเรียนบ้างสาดน้ําใส่หน้านักเรียนบ้างมางคร้งนี่น้ำชายอย่างนี้เลยนะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ก็คือยุคกร ะ, ะมาที่นั่งเรียนเป็นอย่างยิ่งยิ่งก็สาดน้ําให้ที่นั่งหลับหลับก็เนี่ยสาดน้ําใส่หน้านักเรียนนะใช่ไหมก็ก็ปลุกในเจตนาก็ปบอเจตนาก็ดี ก็ก <illar> <Savior> ็เราถูกแบบแบบเป็นแบบนี้นะอย่าลืมนะเนี่ยแบบเป็นอย่างนี้มาจริงๆนะนี่เพรเอินมียมไปเรียนธรรมะเราพราก็ไม่แสดงให้ดูถ้าลองในวัดกัจริงๆก็แสดงกันอย่างนี้นะถ้างั้นตำนักเรียนไม่ตั้งมายาวไกลทุกวันนี้หรอกตีกันหลังลายงั้นเลยนี่เป็นเนนเป็นแรงต่างมยเป็นอย่างนี้หมดเลยนันมาเอะใจไงพอเข้าไปนั่งเรียนกับเขาก็เอะใจแล้วเนี่ยทาไมรักไม่ได้ นี่เป็นเรื่องเป็เือลกอันนี้เวลาโยมมานั่งเรียนก็เก่งอย่าโยมจริงชหมแต่ในใจจริงที่โยมไม่เรียนไม่ไม่ต้องไปอะไรกันเลยสมมติเมื่อวันที่มาก็ต้องคิดเก่งอยงั้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็เห็นแต่มีแต่ในอันมาเรียนเรียนเรียนสมัยก่อนพออันมาศึกษาไปเสร็จอันมาก็ไปแอบนั่งขอไฟเอื้อนา้ำที่อชวไปนั่งฟังเขสอนที่เป็นอย่างนี้เลยนี่มเป็นเย็นนึกงงหมดแลยแต่เนี้ย แล้วก็ลบาการตั้งจิดตด้วยแล้วกันการตั้งจิตที่ศึกษาก็ทำไม่ถูกแล้วก็อลองไปคิดดูว่าดูหนังสื อ, อยังไงท่องพระธรรมยังไงไม่ให้ปวดหัวมไม่เครียดอเอาแค่ไม่ให้เครียดเนี่ยแต่อย่าให้โลภะเกิดนะ <laughs> ใช่ไหมยิ่งดูปุ๊บ ก, ก็ยิ่งเห็นคุณของพระพุทธเจ้า เกิดความลึกซึ้งเกิดความปลาโมดเกิดความปีติมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นน้อมจะขัดเกลามากขึ้นมันเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นน่ะใช่ใช่ใชลแล้วแสดงว่าเราฟังธรรมโสดเจ้าอยู่จริงๆรู้สึกโอ้โหเนี่ยพระบระมศาสดามีพระมาหากรุณาธิคุณแก่เราแท้น้อมไปเงี้ยเนี่ยทั้งีใช่เลยอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้กุศลเดินเลย อย่าลืมตัวดูศึกษาประธรรมอย่าลืมถ้าอย่างนั้นมันจะไปกับความอยากหมดเลยอยากแล้วก็รีบเร่งถ้าใครถามปัญหาอะไรมาเนะี่ยโอ้โหยอามาเต็มห้องหัดแล้วคนเต็มหมดต้องว่ามนอนหอบอเหนื่อยเป็นอย่างนี้ การเดินการเดินเยอะมาถึงอพย า, ยามให้ดูในไม้จัตารีสกัด บ, บ้างแล้วให้ดูในสมาธิสุดว่าท่านคิดยังไรประการต่อมาก็คือปรักกรมาเพาตัดความผูกพันจะได้ชื่อว่าอุยามะถอนโอคาคือกามโมคาเพราะโอคาที่โถคาอวิโชคาได้นะวายามะก็เพราะช่วยให้ถึงฝั่งได้ชื่อว่าอุสะสหาหะก็คือเพราะอัตว่าถึงก่อน ศัพท์เดิมนะอุนโสหิก็คืออธิว่ามีประมาณยิ่งถามมากก็คือว่าถอนลินสลักจะได้คือราคาเป็นต้นทีติก็คือว่ากระทําให้อย่างมั่นคงคุณธรรมที่ท่านบ้านนนมีนั่นเองความก้าวไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงอย่างไม่ย่อหย่อนด้วยอํานาจแห่งการบากบั่นไปในเบื้องหน้าอย่างไม่ยอมท้อถอยในเวลาที่เป็นอย่างเนี้ยอย่างไหนคําว่าทีติเนี่ยกําจัด ก็หมายความการทาความมั่นคงให้เกิดขึ้นในกระแสของขันธาตุและยตนาเป็นต้นได้เนี่ยการทาอะไรให้เกิดความมั่นคงกระทำกุศลนั่นเองให้เกิดความมั่นคงมั่นคงในที่นั้นก็คือความก้าวไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงอย่างไม่ย่อหย่อนด้วยอํานาจของการบากบันไปในเบื้องหน้าอย่างไม่ยอมท้อถอยไม่ยอมท้อถอยในเวลาที่เป็นอย่างนเนี้นะในยังคุตระพบาลีเนี่ยนะในภาคหนึ่งเนี่ยท่านก็แสดงไว้ถึงบอกว่า จะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นแล้วก็ดู ก, ก็ตามทีก็หมายความบอกว่าก้าวไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็แน่นแฟนเพราะวิริยะเนี่ยนะมีความเพียรเนี่ยย่อมไม่ทอดทิ้งความพอใจคําว่าไม่ทอดทิ้งความพอใจที่เขามักจะแปล ก, กันว่าไม่ทอดทุร้าไม่ทอดทุราเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของทีติอย่างที่บอกว่าผ้าโนนมีคุณสมบัติข้อนี้ย อย่าแปลกใจนะพระนนทเนี่ยลองดูงานของท่านดิก็เดินตรวจรอบพระคันตกุดีของพระบรมศาสดาวันละสิบเก้ารอบอ ย, อย่างนี้นะดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยและยังหาเวลาหลีกเล้นในการจะเข้าพระสมรมบัตรของท่านด้วยแล้วท่านจะต้องมีความมีงานในการที่จะทรงจาพระธรรมของพระทธเจ้าอย่างอย่างต่อเนื่องด้วยคนที่จะทําอย่างนี้ได้นะ่บางทีบางทีไม่ได้นอนั่งไม่ได้นอนเลยยืนตลอดท่านพระนนท์ บางครั้งเนี่ยนั่งทั้งวันอยกตัวอย่างสักสูตรหนึ่งจะเห็นชัดว่าท่านเพียรข น, นาดไหนตอนที่พตรยโสช้าพร้อมได้บริวารห้าร้อยตอนนั้นท่านถูกพระพุทธเจ้าขับออกจากวัดไปใช่ไหมไตรยโสช้าที่ท่านมาจากตระกูลของคนชาวประมงท่านส่งเสียงเอะดังแล้วพุทธเจ้าก็ไล่ออกจากวาดัดนะแล้วท่านก็ ท, ำทํำบัตรศีลแล้วก็กาพกรมม ศ, ศาสดาแล้วก็จาริกกันไป จะจำพรรษากันอีกที่หนึ่งในขณะท่านจะจำพรรษาท่านก็เรียกมาประชุมและท่านก็บอกบอกเราท่านทั้งหลายอาวุโส ท, ทั้งหลายพ่ะบระมา ศ, าศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณเพ่อปรมาศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระาศาสดาของเราท่านทั้งหลายทรงมีพระเมตตาอนุเคราะห์เราทั้งหลายนะฟังไหมเออนที่ไล่แล้วนะไล่เราเนี่ยทรงมีพระเมตต า, า, าอนุเคราะห์เราอจะมาเอ้า ไลก่กไกวทุกคนเนี่ยเราจะคิดว่ามามีเมตตามวันนี้ไม่รู้อะไรลงก็ไม่รู้กว่ากันใช่ไหมเราคิดงั้นใช่ไห ม, มนี่พระพระพุทธเจ้าไล่แต่ท่านเป็นบัณฑิตท่านบอกว่าพระบรมศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านหลายมีพระเมตตาทรงอนุเคราะห์เราท่านทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาแล้วก็ท่านกระทาความเพียรในภ ร, รษานั้นได้บรรลุกันหมดเลยเนี่ย เห็นไหมด้วยการถูกไล่เนี่ยได้บรรลุได้ถ้าไม่เห็นไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าจักรู้อัจฉริยะใสาใช่ไหมทําไม่ไล่เนี่ยจะไม่ได้บรรลุพระองค์ก็ไล่ให้บรรลุเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี่นี่สาวัญยุตยา น, นี่มองทะลุทะลวงหมดเลยอนาวรณา ญ, ญาณเนี่ยไม่มีอะไรมาขัดขวางเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเวลาบรรลุเบลเสร็จออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะไปต้อนรับบุตร ของท่านเลยใช่ไหให้ป้านน้นเนี่ยจัดสรรพระเออนั่นไปก็จาริกออกมาวุ้ยหลายเป็นร้อยโยต์รอรับเลยท่านเหล่านั้นก็มีความสำเร็จเยอะพอพระเจ้าก็กำหนดหมายพระเจ้าประทับที่ไหนก็รู้เลยพอมาไปเสร็จมาถึงไปเสร็จเนี่ยมากราบพระเจ้าอยู่ในพระคันธกดีนะไม่ยอมออกมานะ ท่านก็กําหนดอ๋พระบรมศาสดาทรงต้อนรับโดยอเนญชสมาบัติชั้นสูงเป็นการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากท่านเหล่านั้นทั้งห้าร้ยรูปก็เข้าอเนญชสมาบัติกันหมดเลยเนี่นะเอาสินี่ต้อนรับกันเลยเห็นไหมนี่คือคือพาลยา่าเราพาลย่าท่านต้อนรับกันระดับสูงนะท่านมีสมาบัติระดับสูงนั้นต้อนรับกันเนะี่ยเ้าเรียกว่ารำมาปฏิสันานเนี่ยท่านพานนไม่รู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้า ก็พอช่วงปฐมพยายามก็กล่าพระราตนาข้าแต่พระองค์วิเจริญท่านประโยชนยาโสชาพร้อมได้บริวารมาเฝ้าพระบรมศาสสารดาขอพระปรมศาสดาทรงผัวเดนุค้อเถิดพระเจ้าค่ะเงียบแล้วท่านปานนนก็นั่งนิ่งรออีกสี่ชั่วโมงนะมาฉีมายามก็ทําอย่างนี้อีกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าอย่างเราหมดยืนไหมเห็นไหมเงียบเห็นไหมจนถึงปัดฉิมมยามอ่ะ ก็ก็นี่ไงจนถึงนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่ไงคือการต้อนรับแบบชั้นสูงแบบสมะอเนจรชาติสมาแบบนี่แหละคือพระพุทธเจ้าถามว่าเราไม่เคยได้รับการต้อนรับอย่างนี้เพราะเราไม่มีใช่ไหมเพราะเราไม่มีเพราะเราไม่มีอืลักษณะอย่างนี้คือบอกว่า ท่านท่า น, นบ้านนนมีต้องเพียรแล้วต้องเดินกุศลจิตให้ยาวให้ต่อเนื่องอย่างนี้ไมเพราะเพราะจะไปหดหิดกับวิธีคิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้ว่าต้องเป็นพระประสงค์ <c oughs> เหมือนคนที่เขารู้จักครูบาอาจารย์เนี่ยดีใช่ไหมเขาบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านต้องรู้อย่างงี้นะท่านต้องรู้ว่าอะไร อะไรควรไม่ควรอย่างเงี้ยที่เราไปเห็นพระเทเรซทั้งหลายท่านใช่ไหมบางทีเรามองไม่เข้าใจเราก็ไปตําหนิอะไรเงี้ยนะสมมติเนี่ยนะนี่เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้อย่างเงี้ยพอเรื่องหนึ่งเราไม่มีอะไรเลยที่จะไปอย่างรู้ใจใครเนี่ยนะฉะนั้นจะไปกําหนดเองยากฉนั้นต้องระวังวิธีคิดบางอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องก็ต้องระมาดระวังให้เป็นตรงนี้เป็นตน้นเนี่ยดูพาด้านอนเป็นแบบอย่าง เราจะรู้ว่าเออท่านระมัดระวังและท่านจะเดินกุศลไดเจตท่านยิ่งมีรั ก, ะกนะว่าเป็นมีทิถีทถ่ทิติทิติในที่นั้นก็แปลว่าเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในกระแสขันทายศยชนธาตะของตนเองได้อย่างดอเดื่ยเดินกุศลได้ยาวก็เราเห็นไหมความเพียรในทางวศ า, ศาสนา กับความเพียรที่เรามองเห็นเห็นที่เป็นรูปแบบกันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยถ้าอนอรมาจะเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอย่าแปลกใจบางทีอาจจะเดินด้วยกุศลก็ได้เดินด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ได้เดินด้วยสมาธิทิฏฐิก็ได้ถ้าอรมาไม่เข้าใจเลยว่าอจิตที่มันคิดจะเดินนั้นเนี่ยมันเป็นใบกบกุศลหรือเป็นใบกะอกุศลใช่ไม่ใช่เห็นมันก็พลาดอีกมันก็พลาดอีก ถึงบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายนะถ้าเราไม่รู้จักในกรณีที่ว่าจะปฏิบัติเนี่ยแม้วันนี้ไม่นอนทั้งคืนเลยอโมธนาด้วย <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่เห็นนอนอนมาเป็นนึกว่แปลกไม่แค่ไม่นอ น, นให้คนอื่นนะนโมทนาแลโมธนาก็เป็นแถวก็อน <c oughs> มาเห็นคนเขาเป็นโรคประสาทไม่นอนกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ใช่ไหมไม่นอนหรอก ขนาดกดยาเข้าไปยังไม่หลับเลยอ่ะใช่ไหมนี่เขาทำความเพียนด้วยปล่าเขาไม่รู้เขาทำใช่ไหอย่างนี้เราความเลี่ยนไหมเดยวรดาเาไม่รู้เรื่องกระดาจิตเขาจเจสิ่ก็เกิดต่อเนื่องแล้วไม่ค่อยลงระวังด้วยระวังไม่ค่อยเดินด้วยขึ้นชานะปึ๊ดปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เรียกว่าเพียนเป็นถ้าเป็นเรื่องของตอโลกแต่เพียอันนี้น มิจฉาวายามะจชไหมเธอถ้าว่ารู้จักสัมมาวายามะว่าเป็นสัมมาวายามะรู้จักมิจฉาวายามะว่าเป็นมิจฉาอยากความรู้ของเธอจริงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเอาเถอะสิถ้าอย่างนี้เราก็โอ้โหเมื่อคืนดูสื่อทั้งคืนเลยก็าบอมาไม่โมทนาหรอกต้องถามก่อนว่าที่ดูทั้งคืนนะ่ะแล้วมันขัดเรามากขึ้นไหม แต่นี้ออกมาแล้วหน้าดําำําเครียดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้ากูสนมันก็พองใช่ไหมพระอริยะท่านอยู่ในสมาบัติเวลาออกเดตสมาบัติท่านพองใสไหมอันนี้เราดูหนังสือทั้งวนันน่าจะเสพฟังประธรรมทั้งวนันน่าจะพองใสใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันผิดแล้วเข้าใจยังตาลอยออกมาเลยเนี่ย แล้วมาก็มาเสียของอีูวเวลาไปนั่งเรียนตอนข้างวานนี้นั่งเสียนั่งหลับอยู่นะ่นแหละตอนนี้ไม่ไม่รู้ได้ดีได้ไม่ได้ยีมองเสียอะไรเงี้ยเน้นต้องต้องต้องต้องเข้าใจในเรื่องของวิริยะประการต่อมาก็คือไม่ยอมปล่อยให้ความเกียดค้านได้โอกาสคือไม่ยอมสละในฐานะที่เป็นที่ที่ในฐานะอะไรไม่ยอมสละในฐานะที่สร้างกรรมที่เป็นกุศลเนี่ย ต้องใช้พท์นี้ดีกว่าไม่ยอมสละในขณะในฐานะที่จะสร้างกรรมที่เป็นกุศลเพียรพยายามจะทำกุศลกรรมให้ต่อเนื่องแล้วก็ถ้าจะมีอะไรมาแทรกให้กุศลกรรมมันหลุดไปก็ไม่ยอมสละไม่ยอมไอ้ไม่ยอมตรงนี้มันเป็นสัมมาวายามะมันเป็นลักษณะของวิรยิยะเป็นอัตถะของวิรยิยะเขาใช้แบบถามมีใคร ถ้าเราจะเจริญกุศลเนี่ยถ้ามีอักุศลมาขอร้องเราหยุดไหมหยุดไม่หยุ ด, ยยดถ้าหยุดเนี่ยอวยการจะบรรลุก็จะถูกกระชากกลับได้ง่ายเพราะเราทํากรรมประเภทที่ให้กุศลให้อักุศลแสกนั้นหลายๆคนจักบรรลุอยู่แล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะเราไม่ได้ทํากุศลกรรมที่เป็นสมมาวิยมัแบบเพศนี้ให้ต่อเนื่องนี่แหละ ก็เลยโดนกระชากมาก็เลยมานั่งเรีย น, ม, ยนยยยมาทำ ก, กันอยู่ตรงนี่เสียเลยเลยมานั่งอะมาหาก็เป็นได้ตรงเนี้ยเลยเสียกันอยู่ตรงเนี้ยเพราะเราไม่สร้างกรรมที่เป็นกุศลให้ต่อไม่ยอมสละกุศ ล, ล, ลกรรมเวยโอ๊ยกรรมบางอย่างไปยอมสละเราเสียโอกาสมากนะอย่างมรรคกรรมใช่ไหมแล้วเราเคยเสียเสือสมาอีช้างสมาบัตรทั้งหลายที่เราจะได้เราก็ไปยอมทิ้ง ปล่อยโอกาสแล้นให้หลุดล่วงไปโอ้โหเสียหายกันมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้เรายังจะปล่อยอีกไหมเนี่ยใช่ไหมมั่นคงลักษณะทิฏฐิเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่ด้วยนะอัถาของวิริยะเนี่ยมีความมั่นคงด้วยค้ายขันติเลยแหละวิริยะบา ร, รมีกับขันติบา ร, รมีเนี่ยคล้ายๆกันเลย ล, ลักษณะของเขาอ เพราะเขาเกิดร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมแยกยังทแทบยากเลยทำไมแต่แคล้ายกันนั่นแหละทีติเนี่ยถ้ามันขยาพัฒนามาขนาดหนักแล้วนี่ลักษณะอย่างนี้ก็าจึงบอกว่าย่อมนําแต่ความพอใจอย่างชนิดที่ไม่ยอมท้อท้อมาให้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าความเป็นคนที่ไม่ทอดทิ้งความพอใจและไม่ทอดทิ้งทุลาไว้นั่นก็อุปมาเหมือนกับพวกเจ้าของโคผูพกาพกันพูดวัาไง พวกเจ้าจงจัดการโคที่เข็นแอกไปได้มาในที่ที่มีโคลนนั้นเกิดในที่นั้นแม้ว่ามันจะต้องลุยพื้นไปด้วยเข่าก็เข็นแอรคือธุระไปจนได้ไม่ยอมไม่ทุระนั้นตกลงบนพื้นดินคือไม่ทราบวายุ ป, ปัจจุบันยังยอมทั้งหลายอาจจะไม่เคยเหมืนมอนไหนเราจจมาอาจจะอายุ น, น้อยกว่าเรา บางท่านนี่นะแต่ละมาเนี่ยเคยใช้วัวใช้ควายมาในการที่จะบรรทุกมันจะมีแอกเวลาโคลนหลมต่างๆแล้วเนี่ยเวลาจะนั่นเปนเสร็จเนี่ยเราจะจะต้องผักดันให้ได้เนี่ยถึงขนาดบางทีต้องต้องไปคุยกับเขาเลยพูดกับเขาอ่ะเหมือนปลอบใจเขาแตตบตบสี่ข้างเขาเลยอนะ่ะบอกว่าเอาให้ได้เนะี่ย แล้วเขาก็เหมือนรู้อนมามา ม, มีมีมีควายอยู่โคูงเป็นควายแสนรู้มากประหลาดมากตอนไมค์ก่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเ อ, อที่แรกเลยใน ย, ยากจนี้ยากจนมากๆก็ประหลาดมากไม่รู้บุญกรรมอะไรก็ไม่รู้นะได้ได้ไดควายคู่เนี่ยแล้วมาช่วยให้ฐานะดีอันดียังไงอย่าบอกนะโด น, ตนเตือนเขาหน่อย เขาตายไปแล้วทั้งคู่เป็นเป็นเป็นควายที่แสนรู้จริงๆอะมาเด็กๆมานี่ยนะถ้าอะมาตัวเล็กๆก็ต้องเอาเขาไปเลี้ยงเนี่ยคือต้องบอกให้เขานอนอะมาถึงจะขี่หลังก็ได้ใช่ไห ม, มก็ต้องบอกให้เขานอนลงเขาก็นอนคือสามารถจะนั่งตรงไหนได้หมดเลยบนหลังก็นั่งบนหัวเขาก็ได้นั่งบนคอเขาไว้ได้เกาะเขาเขาเล่นก็ได้ เขาจะดูแลเราอย่างดีเลยนี่นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเวลาไปเทียมล้อเทียมเกวียนเทียมอะไรต่างๆกันแล้วแต่เนี่ยพอเทียมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยบอกเขาเลยว่าจะให้เขาไปตรงไหนพาเขาไปครั้งเดียวพอแล้วเราไม่ต้องตามไปอ่าแล้วเขาจะไปกันเองสองตัวนี่เขาพาไปกันไปนั่นแล้วเขาไปถึงที่เป๊ะไม่แชร์เชิญด้วยปรหลาดมากสองตัวเนี่แล้วเ็าแสนรู้จริงๆบอกได้เรียกได้ นั้นเวลามันมีอยู่ครัง้งหนึ่งนะโอ้โหมันทุกไม้อย่างใหญ่เลยใส่เกวียนนะต้องใช้เหลแฉลงงัดกันขึ้นไปอย่างหนักเลยนะสองทอนใหญ่ๆ่ไปบนเกวียนเนี่ยทีนี้ก็มันจะต้องขึ้นอีกระงินชันอย่างเงี้ยเขากันตาปิดเปีบกันทั้งคู่เลยใช่ไหมอนามาก็ทำไงเดินไปก็บอกเขาบอกเขาว่าขึ้นให้ได้นะเขาก็เหมือนเขามองหน้าเราเนี่ยนะ เขาตายเนี่ยมาร้องไห้เนี่ยตอนเด็กๆเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ยอมทิ้งแอกไม่ยอมอไรต่างแอกมันจะอยู่บนคอเขาใช่ไหมไอ้จริง เ, เขาคุกเข่าแล้วมันจะต้องคุก เ, เต็มที่เขาเลยล่ะแล้วเขาแบบหืคล้ายๆว่ากลัวจะขึ้นได้เนี่ยเรานี่แทบน้ำตาไหลอ่ะ เขาดันก็ช่วยเขาดันเราก็ช่วยสุดแรงเนี่ยช่วยดันเกวียนดังล้อดันเกวียนขึ้นไปดันขึ้นไปเขาก็นั่นไว้แล้วแล้วก็เอาไม้หนุนอําหนุนไม่ให้ไหลให้เขาพักสักพักหนึ่งเขาหอบหอบนี่เต็ไมไปหมดเลยที่ว่าทั้งน้ําลายทั้งอะไรหอบเขาก็พยายามดันแล้วก็บอกเขาแล้วขึ้นจนได้ใช้เวลาต้องประมาณกับสองชั่วโมงโอ้ยเขาขึ้นไปในแบ บ, ท บ, บแทบหมดแรงะโอ้ย เราก็เอาอเขาไปอาบน้ําไปอะไรเขาเนี่ยนะดูแลเขาเนี้ยมันทําให้นึกถึงว่าลักษณะนี้ท่านไหมท่านอุปมาได้ดียังก็ไม่รู้ไอ้แม้ท่านท่านอุปมาได้ดีม嘛ท่านถึงบอกบอกว่าพวกเจ้าของโคก็พาก็ว่าเจ้าจงจัดโคตัวที่เข็นแอกไปเนี่ยมาเนี่ยมีโครนั้นเกิดขึ้นในที่นั้นแม้มันจะต้องรุยพื้นไปด้วยเข่าก็เข็นแอก คือธุระไปจนได้ไม่ยอมให้ธุระตกไม่ยอมให้ธุระตกลงพื้นดินชั้นใดวิทยาคือความเพียนก็ฉะ น, นั้นนะ่ยย่อมยกเอาธุระขึ้นไปประคองไว้ในที่ที่เป็นการสร้างกรรมที่เป็นกุศลยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกว่าธุระสำปักคาโหคือประคองธุระไว้ฉะนั้นธรรมชาติใดย่อมให้คองความเป็นใหญ่ในลักษณะของการ ครองเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อว่าวิริยินซีวิริยะพละนี่นะวิริยินซีเพราะเป็นธรรมชาติย่อมไม่หวั่นไหวในความเกียดค้านเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นก็เรียกวิริยภาระเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าสัมมาวายมะเพราะเป็นความเพียรที่อันจะช่วยออกจากวัตถุทุกมีชาติทุกชราทุกขปยาทุทกและก็มรณะทุกเป็นต้นได้ถ้าหเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าวิริยะเนี่ย ถ้าเพียนจริงๆขนาดนี้นะลักษณะของความเพียนนั้นรูปแบบออกมาอย่างนั้นจริงแต่จุดหลักๆคือกุศลต้องประคองกุศลรักษากุศลสร้างกรรมที่เป็นกุศลไว้ไม่ให้กรรมที่เป็นกุศลนั้นตกไป น, น, กๆๆนั่นเรียกว่าอะนั้นก็เรียกเพียนจะอยู่ในยาบทไหนก็ได้ก็เพียนอย่างนั้นแหละ แต่พอพอเขาเดินกุศลได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยห่วงข้างนอกแล้วสรีราจะคุกเข่าเดินจงกรมเห็นไหม้าบางรูปเนี่ยจะคุกเข่าเดินจงกรมจะโดนเสียบโดนแทงโดนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็จะประคองกุศลของท่านไว้เพราะกรรมที่เป็นการประคองกุศลเนี่ยท่านจะไม่ให้กรรมมันนั้นตกไปก็เพียรพยายามประคับประคองไปในลักษณะนี้ถ้าทําอย่างนี้เนี่ย ท่านจะไม่อะไรในเนื้อและเลือดใช่ไหมจะเหลือแต่นหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีใช่ไหมหนังเนี่ยเอ็นกระดูกเหลือไว้เนื้อเลือดจะแห้งเหือแผหายไปเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเอาเอาการข้ามโอคาเอาการออกจากวัฏทุก์เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุดหลักไว้อย่างนี้นะแล้วรักษากุศล้ว้ทีนี้เราก็มาใช้สิถ้าเราเพียรประเภทที่ดูหนังสือ เพียนดูนานๆใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่สําคัญประคองกุศลไว้หรือเปล่าประคองกรรมที่เป็นกุศลไว้หรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเพียนใช่ไหมือนนั่งเรียนเนี่ยเราจะเพียนนั่งหรืออารามาแสดงธรรมเนี่ยถ้าเพียนไ ป, ถ, นไปถ้าอารามาแสดงแสดงไปได้จิตที่เป็นบาปอารามจะหยุดทันทีอาราโอเคนี่พอแล้วพอในวันนี้อารามจะเดินไปทําไมเดินมาใหทุบ ห, หัวตัวเองเล่นเนีไม่เอาแล้วอารามจะรีบหยุดทันทีว่าโอวันนี้กุศลไม่เดินเลย ต้องต้องขออภัยต้องหยุดแล้วแต่ถ้ามันเดินกุศลไปได้ามาก็เดินไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแม่มาจะรักษาตัวนี้รักษาตัวนี้เข้าใจได้ยัง ด, ดรดา ว, วิริยะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง <Okay. S 1> เป็นวิริยะแบบนี้วิริยะในการรักษากรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นวิริยะประเภทที่เป็นมิจฉาวายงั้ใช่ไหม เป็นอย่างนี้แล้วมันจะออกมาแล้วแล้วแล้วแล้วเราท่านทั้งหลายจะไปเพียนถูกจะไม่เพียนถูกในการสาธยายก็ถูกในการเดินก็ถูกในการดูหนังสือและคำว่าปฏิบัติธรรมมันจะไปได้ทุกที่นันจะเข้าใจอย่างเดนีน้มันจะไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าเพียนมีความเพียนมีสัมปชัญญะมีสติใช่ไหมอันนี้บอกเรื่องความเพียนในการเดินสติปัฏฐาน นี่องค์คุณองค์คุณของการเพียนเปียนแบบนี้นั้นเวลาเราฟังสติปัฏฐานกันเนี่ยถ้าจะมาจะไล่ตามสูตรน่ะแป๊บเดียวจบหรือจะไล่ให้ยาวยังไงก็ได้อย่างี้ถ้าไม่เจาะอย่างเงี้ยนั่นมามองแล้วเนี่ยผลมันไม่ค่อยเกิดผลไม่เกิดนำมาถามมาหลายคนแล้วอ่านมาจบยังสติปัฏฐานฟังมากี่รอบแล้วหลายรอบ ฟังหลายรอบด้วย่้ำมามาก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงพอถามดูกันรู้แล้วนี่ๆเจาะไม่ถึงเจาะไม่ถึงอัธยเจาะไม่ถึงอัธยานั่ความจริงของชีวิตต้องเจาะให้ถึงตรงนี้นะถ้างั้นเราจะมาใชอยังไงล่ะใช่ไหมถ้างั้นเราจะแยกไม่ออกหรอกระหว่างสัมมาวายมะกับ ม, มิชาวายมะแยกไม่ออกหรอกสัมมาสติกับมิชาสติแยกไม่ออกหรอกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิชาทิฏฐิใช่ไหม อวัยาะแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าในรายละเอียดถ้าไปพูดไปมันจะไปไปเยอะแอยะนี่นนะเพราะอาจาร์มาจะพูดเรื่องวิชาที่ที่ที่ค้างไว้เนี่ยนะค่อยๆไปทีละอย่างเนี่ยนะสติสติเตาสติอีกฮะมายไม่ใช่ยกให้เห็นว่าเราจะได้เพียรในการฟังทาถูก ใช่ไหมเป็นห่วงใช่ไหมถ้าอย่างงั้นมันก็จะเน่าเข้าเน่าเข้าก็จะเหลือไม่กี่คน <c oughs> <c oughs> ามารู้ว่าเพียนไม่ถูกเนีย่ยว่าทุกข์มันเกิดแล้วกุศลมันไม่เดินแล้วมันเป็นโทษใช่ไหมคุณหมอมันจะเป็นอย่างงั้นแล้หลายคนเนี่ยไปตั้งแล้วไปเข้าใจว่าเข้าใจเนี่ยเรามองก็รู้ แค่มา น, นั่งคุยแค่มาฟังแป๊บเดียวเนี่ยมาสรุปได้แล้ววันนี้ไม่เข้าใจบ้างหรือเข้าใจยังไม่ถึงบ้างนี่มันจะมองไม่ออกแต่ว่ามันจะพูดยังไงพูดก็โกรธกันใช่ไหมแล้วบอกคุณนี่ไม่เข้าใจเราเนี่ยเขาโกรธทันทีเลยใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมรับถ้าบอกว่าคุณเข้าใจดีนะเนี่ยเขาจะเขาจะยิ่งดีใจถ้าไปบอกอย่างนั้นเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทามันถูก มันยากไงพูดกับคนไงยากยากสะดูใครเนี่ยนะโอ้ย น, นั่นยอมพูดมาไม่ได้คิดตึงนะไม่ใช่่ชินไปก็ยังไม่เข้าใจไงใช่เข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจเนี่ความไม่เข้าใจก็ไปเรียกโปกตินนะ ตรงนี้นะเป็นความเพียรที่จะนำออกจากวัฏทุก์มีชาติทุกจะราทุกมรณะทุกเป็นต้นได้นั่นคือสัมมาวายามะเหลือสามสิบนาทีเอาส ม, มาสติคองดีกว่าเข้มาเหอสี่สิบห้านาทีงั้นพูดลักษณะของของปัญญาให้ฟัง น, น่าจะทัน ปัญญาเนี่ยนะท่านเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยเนี่ยธรรมวิจัยเนี่ยนะเออถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือว่ามีการแทงตลอดตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะเพราะเรารู้เรื่องเราเรียนเรื่องสมาทิฏีเนอะลักษณะของปัญญาเออไปดูในอภิธรรมมัต ส, สังหะทีปณีก็ได้ ถ้าต้องการอยากจะดูรายละเอียดจะไปดูแล้วก็ไม่ต่างหรอกนะึงแต่เป็นท่านไม่ขยายไว้หรอกท่านจะบอกเพียงบอกว่าปัญญานั้นลักษณะของปัญญาก็คือว่ามีการรู้แจ้งแทงตลอดตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะนั่นคือลักษณะของปัญญาประการที่สองกิจของปัญญาก็คื อ, คอมีการสอดส่องอารมณ์ไม่มีความสว่างสวัยเป็นกิจตรงเนี้ย คาว่าสอดส่องอารมณ์ไม่มีการสว่างสวายนี่แหละบางคนก็เลยไปสําคัญว่าโอภาสเป็นปัญญาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะพอ ป, ปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะมีว่างั้นมีแสงสว่างไปทั่วเลยเนี่ยปัญญาแสงสว่างมันคือโอภาสเนาะปรากฏในปัญญาของผู้รู้ว่าเป็นตามที่ไม่หลงลืมเป็นผลแล้วก็มีโมหะคือความไม่รู้ที่ถูกละไปแล้วเป็นเหตุใกล้ ก็หมายความว่าเหตุใกล้ชิดของเขาประทัดฐานของเขาก็คือว่าละโมหะได้นี้ในอัตสาลีนีเกี่ยวในเรื่องของปัญญินี่นะพระพุทธโคสาัาจารย์เนี่ยได้พารนาไว้ว่าธรรมชาติที่ชื่อปัญญาเพราะอธิาวาประกาศเนื้อความนะประกาศยังไงประกาศเนื้อความนั้นให้ปรากฏก้มความประกาศในที่นั้นคือประกาศนี่ประกาศความไม่งามให้ปรากฏ ประกาศอนิจจาักษณะทุลักษณะอนัตตลักษณะเป็นต้นให้ปรากฏเนี่ยอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติย่อมรู้ทำทั้งหลายได้โดยประการมีอนิจจังทุกขรังอนัตตาเป็นต้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปัญญาคำนี้เป็นการแสดงถึงสภาวะของปัญญาจริงๆอันนั้นเป็นการแสดงที่จริงพอพูดตรงนี้นะ เราจะไปเห็นคําสอนโดยทั่วๆไปในท่านจะพูดถึงอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยแต่ท่านไม่ลืมปัจจาลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวด้วยดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยเพราะถ้างนั้นเดี๋ยวจะเลยไปอาการรู้ชัดเนี่ยมาจากคาว่าประช า, านาในธรรมชาติใดย่อมเลือกเป็นอ น, นิจจารักษณะเลือกเป็นทุกรักษณะเลือกเป็นอนัตนตลักษณะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อววิจัยมาจากคาว่าบทว่าปะวิจยญาเนี่ยนะ แต่นั้นก็เป็นอุปสรรคเพิ่มก็มาอีกธรรมชาติที่เลือกเฟ้นทำรรคืออริยสัจเลือกเฟ้นวันนี้คือปกติเนี่ยมันเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามาพูดถึงตาความเป็นจริงเนี่ยนะในชีวิตจริงเนี่ยเราม่ไามองหมอมองปุ๊ไปเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิที่เป็นธรรมะวิจัยเป็นต้นเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยมาก็มองเห็นโอ้เป็นหมอหมอมาแล้วไม่ได้วิจัยว่าส่วนนี้เป็นทุกขสัตย์ ส่วนนี้เป็นสมุทยสาสัจจะส่วนนี้เป็นนิโรธาสจาัจจะอันนี้เป็นมรรคสัจใช่ไหมคือคือไม่สามารถวิจัยขันธาและเยตนาของคุณหมอโดยว่านเป็นทุกสมุทยัยนิโรธมรรคยังไงที่จริงมีสองสัจจนะนั่นแหละแต่ว่าเชื่อมโยงถึงนิโรธแล้วประกอบอะไรมรรคเบื้องต้นยังไงในใจตัวเองก็ะจะก็ะจะมีเป็นปฏิปทาเบื้องต้นให้ได้นิโรธาสัจจะใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกไม่มีทำมาวิจัย ไม่เลือกเฟ้นไม่เฟ้นไม่เฟ้นหาอริยสัจในสิ่งที่ตนเองคิดถึงใช่ไหมก็คิดพบก็ปล่อยคิดทึกก็ปล่อยเนี่ยไม่ได้เฟ้นหาเลยส่วนไหนเป็นทุกขศาส่วนไหนเป็นสมุทยัยสัจจ์ส่วนไหนเป็นนิโรธาสัจจ์อะไรจะเป็นมรรคสัจ์อย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าไม่เฟ้นเลยแล้วถามว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดถึงสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยเราเฟ้นแบบนี้ไหม ถ้าเฟ้นแบบนี้เขาเรียกว่ารู้จักสมาธิที่ว่าเป็นสมาธิธิฐถ้าไม่เฟ้นเนี่ยรู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ถึงจะเป็นสมาธิธยังไงเพียรพยายามในการที่จะทําการเฟ้นหรือคิดในการที่จะเฟ้นนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นสมมาวายมะเพื่อจะเข้าถึงสมาวิสมา ธ, ธิ่สติก็ตามระลึกในการที่จะไวิจัยเพราะตัวสมมาวายมะก็คือประคองกุศลกรรมไว้ไม่ให้ไม่ให้หลุดไปไปใช่ไหมเพื่อจะเข้าถึงสมาธิเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งเสริมส่งเสริมกันประคองกันไปนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างการการที่บอกว่าวิจัยจะเป็นไปลักษณะอย่างนี <labor> น้นี่เขาเรียกลักษณะของปัญญาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่ชื่อธรรมะวิจัยก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสารลักษณเนี่ยเดิมนานการกําหนดรูปนี้จลักษณะทุกลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าสารลักคนานั่นเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปลัคนาเนี่ย และปัจจุปารักคณาเข้าอปไว้ก็เพราะความแตกต่างกันออกไปแห่องอุปสรรคอันนี้ไม่มีอะไรความเพิ่อมอุปสรรคเข้ามานะความเป็นไปแห่งความเป็นผู้ดําเนินไปด้วยปัญญานั่นแหละชื่อว่าปัญธาชื่อว่าปฏทิจัตความเป็นบุคคลที่ฉลาดก็เรียวโกศระความเป็นบุคคลผู้ละเอียดอ่อนก็ชื่อว่าเนปุญญะธรรมชาติที่ชื่อว่าเวภพพญาก็คือหมายความว่าจํ า, าจแนก จำแนกจำแนกอะไรคือสับเนี่ยบางทีเราเราต้องใช้เยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมจำแนกอันนี้จะลักษณะออกมาจำแนกทุกลักษณะออกมาจำแนกอนัตตลักษณะออกมาจำแนกความไม่งามออกมาให้ได้เพราะมันเห็นเนี่ยมันเห็นงามอยู่ไหมเราไม่ได้จำแนกออกมาจำแนกออกมาเข้าไปจำแนกออกมาเนี่ยคือลักษณะลักษณะปจุปทาปฏิฐานชัดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาจำแนกออกมา เพรามันไม่เห็นใช่ไหมถ้าไม่จําแนกออกมาใช่ไหมถ้ามันก็เห็นเป็นแท่งบ้างเห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นต้นเหล่านี้บ้างก็ไปจําแนกออกมาจําแนกออกมาอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้แยกออกมาเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไปแยกไปจําแนกออกมาอ๋อไปจําแยกออกมาใช่ไหมคือคําสอนพระเจ้าบอกไม่เที่ยงจะไม่เคยปรากฏในใจเราได้จะจําเงี้ยก็ไปจําแนกไปตรึกไปแยกแนกไปไข้ควนออกมาจําแนกออกมา เข้าใจใช่ไทำอยางคืออย้อาจาทตัวอย่างจตัวอย่างใช่มเพราะว่าจแนเองก็อ่าสมมุติวา่ากรณีอย่างควาว่าอย่างกรณีที่ว่าควัน ง, งามใช่ไหมแล้วก็จาแนกออกมาทีจริงๆมันงามจริงก็ลองเอามาจำมองวิจัยดูจริงๆอย่างันงามฟันนั้นใช่ไหม เหมือนอะไรก็เหมือนกับเมล็ดฟักทองจิ้มไปในดินเหนียวไงไงสมมตินี่ยจิ้มไปในดินเหนียวโอ้จริงๆมันที่ว่ามันงามนี่เพราะความเข้าใจคาดเคลื่อนจริงๆเพราะเราไม่จําแนกอสุภะออกมาเนี่ยเราก็เียเห็ว่างามแล้วก็มาพิจารณาวิจัยดูใช่ไหมเราไปดูสิว่าจริงๆมันเหมือนดินจริงๆริงแมงเหือกของเราท่านทั้งหลายใช่ไหมมันก็ประกอบไปด้วยของไม่สะอาดทั้งนั้นแม้ฝันที่เข้าไป ติดอยู่ก็ในลักษณะอย่างนั้นพอพิจารณาไปเรื่อยๆเราจะเห็นอ๋อนี่ไม่งามจริงอย่างที่พระองค์ทรงกล่าวพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นกล่าวไว้ไม่ผิดเลยอ๋อด้วยโมห oh ะแทะ้ๆปิดบังใจเนี่ยเนี่ย <ไ again, S 1> มันมันออกมาก็เห็นเลยเป็นต้นใช่ไหมมันลักษณะการจำแนกนะบางทีมันจะไปให้เข้าเพราะอัตยาสัยเราไม่ได้จำแนกอะไรมาก่อนเลยแต่คอเาวิจัยก็จริงๆมันก็เออเป็นอย่างนี้แต่ต้องรู้ด้วยนะ จิตที่เข้าไปจำแนกต้องเป็นปัญญาเนะยเพราะอย่าลืมนะมิจฉาทิถีเขก็จำแนกได้งั้นทางนั้นหมอก็ไรู้เป็นหมดหมอฟันเนี่ยจำแนกฟันทุกวันออจาก อ๋อถ้าตรงนั้นมันรู้สึกจะมึนๆเริงต่างนั้นก็เปลี่ยนอัรมณ์กรรมฐานตรึกพุทธคุณให้จิตผ่องใสกว่าใช่ไหมก็คือว่าถ้าเราเจริญพุทธคุณนสัตว์ทิ้งซีมันจะเดินใช่ไหมเพราะสัตว์ทิ้งีเดินเป็ดเพราะจิตก็เริ่มผ่องใสแต่นี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มมองเห็นว่าจิตมัวๆมัวทั้งหลายมันชัดหรือไม่ชัดใช่ไหมเพราะเราต้องรู้ว่าต้องอน้ำต้องแกว่งก่อน เออไม่ใช่สารส้มต่างๆหรือว่าแก้วมันดีไปแขวงในน้ําให้มันใสก่อนมันถึงจะมองออกว่าจิตของเราเนี่ยไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยอ๋อเข้าใจตรงนั้นก็คือมันมันอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเป็นนั่งบางทีมันไม่เกิดเลยใช่ไหมไปยืนเดินอะไรต่างมันก็ไม่เกิดเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่า บางครั้งเนี่ยถ้าไปเดินในมุมละเอียดไม่ชัดแล้วก็ถอยกลับมาก็ไป็ไข้ควรเพิ่มสัดทินซีให้ชัดขึ้นแล้วกลับไประ ล, ลึกใหม่ทีนี้มันก็ชัดแล้วแต่เนี่ยก็แค่นั้นแหละก็เรียกว่าต้องต้อ ง, ต, องต้องฉลาดในในวิธีที่จะบริหารตันเองให้เป็นอย่า ไ, ไปไม่ใช่ไปอยู่กรรมฐานเดียวไมไ้ไปอยู่กรรมฐานเดียว ไ, ไดเพราะเรารู้ไงว่าบางทีเราเกิดศรัทธามันตกขึ้นมาเนี่ยมันก็มืดหมดแล้วใช่ไหม ธรรมชาติจิตก็ไม่มีความบ้องใสในขณะนั้นแ ล, และความกล้าหาญในการที่จะเพียนพยายามไปก็จะไม่มีไปด้วยบางทีมันเพียนไปเพียนมากลายเป็นความเพียนมันไมน่มันไม่เป็นกุศลแต่แล้วเนี่ยมันเอะใจไม่ยากหรอกถ้ากุศลมันจะเป็นไปกับละมอดปิติก็เป็นไปในรักถ้าจะเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่มีความสุขใช่ไหมเป็นไปกับความโปร่งลงแล้วก็ไม่ขัดเกือ ว่าธรรมชาติของกุศลนี่มันธรรมชาติที่ควรดองการงานอยู่แล้วนี่มีกายยะปสถทิจิตประสิทธิเกิดร่วมอยู่เลยเป็นต้นความเป็นบุคคลผู้ฉลาดเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วนะเป็นบุคคลผู้ละเอียดในปุญญาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวทีนี้กินตาด้วยอำนาจถึงความเป็นผู้คิดถึงอันนี้จะลักษณะเป็นต้นบ้าง ธรรมชาติที่เป็นจินตาเขาบอกช่วยให้ผู้ที่เกิดปัญญานั้นคิดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นอุปริขาก็คือเข้าไปใคร่ควรเข้าไปใคร่ควรภูริก็เป็นชื่อของแผ่นดินนะปัญญาชื่อว่าภูริเหมือนกับแผ่นดินเนะี่ยเพราะละเอียดอ่อนด้วยแล้วก็กว้างขวางด้วยผู้ได้เจ้ า, าตรัสบอกว่าแผ่นดินเรียกว่าภูริท่านผู้ที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่กว้างขวางอันเปี่ยบุญเสมอด้วยแผ่นดินเหตุนั้นน่ยผู้นั้นจึงชื่อว่าผู้มีปัญญาประดุจ ด, ดังแผ่นดิน อีกประการหนึ่งภูริเป็นชื่อของปัญญาเป็นธรรมชาติใดย่อมยินดีเนื้อเรื่องที่จริงฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าภูริตรงนี้คืออย่างนี้คือปัญญาเนี่ยโดยมากเขาจะไปสืบคนน้นในเรื่องที่จริงพอเห็นเรื่องที่จริงแล้วสังเกตดูนะว่าจะทั้งปราโมทปิติจะเกิดถ้าเข้าไปเห็นความไม่เที่ยง หรือความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นปุ๊บเนี่ยปลาโมดไม่เกิดนะความยินดีจะเกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เฝ้าคอยจะเห็นความเป็นจริงอันนี้มานานแล้วสภาพของปัญญานั้นจะเข้าไปวิจัยของจริงพอเห็นของจริงปุ๊บเนี่ยปัญญาก็เกิดความล่าเรื่อมันล่าเลือ ทีนี้คำว่าล่าเริงในที่นั้นคือความเห็นเห็นความจริงของสังขารใจก็น้อมเข้าไปหาสู่วิสิงวิสังขารโดยอัจาศิยะโดยอัทยาศัยล่าเริองอย่างนั้นเขาเห็นเห็นโทษของสังขารแต่เขาได้สารณะได้ที่พึ่งคือคือทำมังสรารนังกชจามีบ้างพุทธังสรารนังกัจฉามีบ้างสังคังสรารนังกัจฉามีบ้างเขาได้สารณะได้เครื่องกำจัดภัยแล้ว เขา้าใจไหมโดยอัจฉริยะทั้งๆที่ยังไม่สามารถรับนิพพานเป็นอารมณ์ได้แต่ก็น้อมไปโอนไปเอ็นไปด้วยการที่มีความหวังเพราะถ้าเขาไม่เห็นความแปรปรวนของสังขารไม่เห็นโทษของสังขารไม่เห็นความวิบัติความเสื่อมความสิ้นใบของสังขารแล้วเนี่ยการที่ปัญญาของเขาจะไปน้อมหาความจริงเก่าวคือพระนิพพานมันไม่ได้ มันเหมือนว่าเขาเนี่ยยึดอยู่ในกองของขังขานมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรใช่ไหมความจริงไม่เคยปรากฏสู่กระแสขันท่าอายตนะเขาเลยเนี่ยแต่พอความจริงตรงนั้นปรากฏใช่ไหมทั้งปัจจัยทั้งตัวผลต่างๆเหล่านี้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงทั้งทั้งอดีตและปัจจุบันอ น, นาคตเป็นต้นเหล่าเนี้เมื่อปรากฏในกระแสใจเขาเป็ดเสร็จแล้วเขาก็น้อมไปสู่นิโลธะสัจจานั้นโดยอัจฉ า, าิยะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้น คขาเล่าเริงถ้าเป็นอย่างนี้และเป็นความล่าเลิงเป็นความเบาเป็นความปร่งในกรณีที่ตนเองนั้นเหมือนปรารถนาที่ว่าความหวังที่จะทิ้งขันธภาระมันมีอยู่จริงความหวังในการที่จะได้รับความสุขอย่างแท้จริงที่ปราศจากสิ่งเจือปนทั้งหลายคือเกี่ยวในเรื่องของอามิต h เหยื่อทั้งหลายที่มาเจือปนน่ยมีอยู่และความหวังอันนั้นที่รอคอยมาอย่างยาวนานนั้นนะดูทีท่าว่าเราเริ่มจับทิศจับทางถูกแล้ว มันเกิดความลาเริงอย่างนั้นนี่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นชื่อของปัญญายินดีหรือเนื้อเรื่องที่เป็นจริงใช่ไหมอันนี้จับอันนี้จะลักษณะเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นจริงหรือเป็นเรื่องที่เป็นจริงทุกลักษณะแล้วกันนัตลักษณะคือชีวิตของเขาเนี่ยก็อยู่กับมิจฉาทิฏฐิ พออยู่กับมิจฉาทิฏฐิอยู่กับความไม่จริงมาตลอดโดยสรุปกันตรงก็คือว่าผิดหวังมาตลอดกับสิ่งที่สัตว์โลกหวังแล้วหวังกับตาหูจมูกลิ้นกายใจหวังกับสิ่งที่เนื่องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่มันผิดหวังมาตลอดมันไม่เคยได้รับความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่เคยเข้าถึงเนื้อเรื่องหรือเรื่องที่เป็นจริงทีเดีเลยแต่วันใดวันหนึ่งมันเข้าไปเจาะทะลุทะลวง ความจริงเหล่านั้นปรากฏใจก็น้อมสละพอฟังพระธรรมมามากพอจินตามะยะปัญญาปรากฏภาวนาปรากฏเหมมันเหมือนว่าใช่แล้วสิ่งที่ตนเองฟังมาสิ่งที่ตนเองใคร่ควรคิดตามพระธรรมของพระเจ้ามาเนี่ยมันปรากฏชัดกับเราจริงๆชิชัดกับกะชัดเกินกระแสกานธาตุยแตนะจริงๆ แล้วก็น้อมในการที่ปราถนาจะทิ้งขันธ์ธาตุยตนานะมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันเกิดความรู้สึกที่เห็นเห็นของจริงตรงนี้ขึ้นมาแล้วใจคิดอยากปล่อยจริงๆมันเกิดมันเบามันโล่งตรงนั้นแหละเพราะแต่ก่อนเนี่ยเออเป็นทุกข์นะอยากจะปล่อยบางทีเรานำร่องเขาอย่างนั้นแหละบางครั้งเนี่ยแต่พอมันเกิดชัดเจนในความในการปรากฏขึ้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยไอความรู้สึก ปรารถนาจะทิ้งอ่ะปรารถนาจะวางแล้วก็ความล่าเริงในการที่จะปราลบความสงบจากสังขารทั้งหลายเนะี่ยมันชัดขึ้นมันชัดกว่าการฟังธรรมดามันชัดกว่าการแค่ไขควงธรรมดาแต่พอมันไปเห็นหรือไปเกิดความเข้าใจแม้นิดหน่อยตรงนั้นอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าช่องทางตรงเนี้อเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามที่เราฟังตอนที่เราเรียนตอนที่เราคิดมาแล้ว ไอ้ตรงเนี้ยมันชัดขึ้นอย่างนี้ทีนี้ความชัดตรงนั้นน่ะเราจะพยายามต่อกรรมที่เป็นกุศลอันนั้นได้อย่างไรใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยหลายๆายคนในเวลาเคยเกิดเนี่ยน่าเข้าก็ปล่อยมันเลื่อนๆไปน่ะเข้าก็กล้องกลับมาทําอันเก่านี่แหละให้มันเกิดใหม่นะ ไม่ค่อยประครับประคองกรรมที่เกิดความเข้าใจตรงนั้นให้ชัดสติก็ไม่ค่อยจะตามระลึกไปให้อย่างต่อเ น, นื่องเพจะเข้าถึงสมาธิฏฐิแวดล้อมสมาธิฏฐิสัมมาวายมสมมา ส, มาสติเนี่นะขยายวงของสมาธิฏฐิมันกว้างไปเรื่อยๆเนี่ยจนปารลบสังขารทุกสังขารก็เห็นโทษอย่างนี้ได้เมื่อไหร่อันนั้นแปลว่าชัดแล้วเข้าใจใช่ไหม อันนี้มันยังไม่ได้เปิดประเด็นตรงนี้มันแพ่ขยายไปกว้างมันชัดอย่างนั้นสะกทีความสะดุ้งสะเทือนมันจึงไม่ชัดแต่พระโพธิสัตว์นั้นทุกพวกลุกชาติท่านชัดท่านชัดอย่า ก, กลัวว่าถ้าหากว่ามันเห็นชัดตรงนี้แล้วมันจะบรรูุวันนี้พรุ่งนี้เอออย่าไปกลัว <c oughs> กิเลสมันหลอกเอาทิฏฐิมันหลอกเรานั้นพระพุทธเจ้าบอกปล่อยศรัทธามาปล่อยศรัทธามาเถิดใช่ไหม ฉนั้นถ้าพิจารณาหรือใครควรในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้ท่านขยายวงและเมื่อชัดขึ้นเนี่ยก็วิจัยไปเรื่อยในที่สุดจริงๆนั้นน่ะสิ่งสังขารใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาสู่ในใจสังขารเหล่านั้นก็ผ่านการวิจัยและเจาะทะลุทะลวงแล้วเข้าถึงได้แล้วก็วิจัยได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นต้นแล้วก็ไม่ลุ่มหลงในปรัมมัติและบัญญัติการเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ เขาเรียกว่าปัญญาก็เกิดจริงๆแล้วก็เข้าหาในเรื่องที่เป็นจริงหรือเรื่องเรื่องที่มันเป็นจริงฟัองออกไหมเข้าใจใช่ไหมคุณวายนะนี่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติใดย่อมตัดรอนคือทําลายกิเลสดุดดุดอสเนีบาดเนะี่ยทําลายศีลาฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมธาคือการทําลายกิเลสเนี่ยลักษณะของการทําลายกิเลสเนี่ยทําลายแบบตะทางกับปัญหาเห็นไหม การทำลายแบบแต่ทางก้าประหารวิปัสนาที่เป็นบุเรจารีของมร์เนี่ยเขาทำลายแบบตะทางก้าประหารทีนี้ทำลายแบบตะทางก้าประหารเนี่ยเดี๋ยวทำลายอย่างไรในรายละเอียดอย่างไรเนี่ยถ้าถึงวันนี้นะถ้าไปถึงในช่วงของทิฏฐิแล้วมาจะพูดเรื่องสัมมาทิฏฐินะอจะไล่เรียงลําดับไปยังไงตั้งแต่เบื้องต้นไปผู้ไปจะถึงโคตระโคเนี่ยที่เขาเรียกตะทางข้าปรหารอย่างไรเนี่ยที่จริงมันต้องไล่ไปอย่างนั้นด้วยสัามา อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จบวิสุทธิมารกิกจเข้าใจยังตอนนี้นะจริงๆต้องต้องลำดับไปอย่างนั้นพอพูดถึงในเรื่องของปัญญาที่ชื่อว่าเมธาเนี่ย <c oughs> เดิหลักเนี่ยนี่เขาอธิบายแค่อัดสั้นๆเขาไวะ้ย่อมนำท่านผู้เกิดปัญญานั้นไปในข้อปฏิบัติอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นกตนอย่างรอบคอบและนำสามยุทธธรรมทั้งหลายไปอย่างรอบคอบ ในการนารายรู้แจ้งแทงตลอดลักษณะตามความเป็นจริงฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปรินายกาปรินายกกาเรียกปรินายกก็ได้เขาเรียกว่านำปรินายกเนี่ยแปลว่านำมาจากคำว่ามรณาโยกปรินายกนี้แปลว่านำเนี่ยปรินายกแก้วก็ได้เป็นชื่อของปัญญาใช่ไหมปรินายกอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเปชนประโยชน์เกื ul, oven, plan, teaching, ้อกูลแก่ตนอย่างรอบคอบและวก็นำสมบัติธรรมทั้งหลายไปอย่างรอบคอบในการรู้แจ้งด้วยนะเพราะลักษณะของปัญญาเนี่ยเวลาเขาจะไปวิจัยต่างๆเนี่ยสมบัติธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญานี่นะเขารอบคอบหมดเลยสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับเขาไม่ว่าจะเวทนาขันธ์ญญาขันธ์สังขารละขันธ์ใช่ไหมวิญญาณขันธ์ที่เกิดร่วมกับปัญญาก็เสมอเหมือนหนึ่งคล้ายกับปัญญาไปเลยเราะมีปัญญาเป็นประธานเนี่ยคล้ายกับปัญญาไปเลย แล้วเป็นอย่างงั้นจริงๆนะเคยสังเกตไหมคนที่เดินตามขบวนของพระราชาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขานี่ใหญ่ยิ่งใหญ่เลยนะตามอำนาจของพระราชานะัท <c oughs> เป็นอย่างงั้นเลยนะก็เป็นองนั้นเลยเคยไปเดินตามขบวนตอนเด็กๆไหมือ่ <c oughs> รู้สึกว่าเรามองไปสองขนาดแล้วอยู่ไกลๆเนี่ยนะเดินเดิ น, เ ด, นเดินอยู่ไกลๆ สองข้างทางเหมือนต้อนรับเราใช่ไหมทั้งครั้งที่เขาไม่ได้ต้อนรับเรามันธรรมชาติคล้ายนั่นแหละคืออํานาจของของผู้นําอ่ะมันไม่ธรรมดาหรอกแต่อย่าให้มิจฉาทิถินํามันก็เหมือนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้ธรรมชาติอื่นก็คล้ายมิจฉาทิถีไปหมดแล้วยิ่งใหญ่ไหมมิจฉาทิถีเวลานำํำยิ่งใหญ่ทางเสียนี่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มิยิ่งใหญ่นะ มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันแล้วแต่กันหัวขบวนจะเอามิจฉาทิฏฐิมันนําหรือเอาสมาทิฏฐิมันําแต่มันยิ่งใหญ่แบบไหนกันนั้ใช่ไหมเนจะเป็นรักไหนธรรมชาติที่เกิดร่วมกับคลายเข้าไปหมดแลยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็ลักสณะมันคล้ายกันมามิจฉาทิฏฐิสมาธิคลายในที่นี้หมายความว่ามันเป็นธรรมชาติที่รู้ผิดกับรู้ถูกใช่ไหมไอ้มิจฉาทิฏฐิมันก็ไปรู้เหมือนกัน ยามันรู้มันไปยึดสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงเอาสิแล้วไปสร้างสร้างวิธีคิดจนกลายเป็นเข้าใจว่ามันจริงไงเข้าใจไหมเอ า, เอาคิดบ่อยๆนั่นบ่อยๆขึ้นมาเนี่ยจนจนใครแตะรูปแบบตนเองไม่ได้แตะแล้วจะโกรธแกะแล้วแตะแล้วจะหาวิธีการจัดการเลยมันขนาดนั้นเลยนะ ฉะนั้นกรณีมิจากที่ถีเนี่ยเราอย่าให้อย่าให้มันเดินในกระแสจิตมันรุนแรงนะหนักเข้านเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นาศาสดาขึ้นมาเลยใช่ไห ม, มเขาถึงเรียกลทัทธิหกสิบสองลัทธิอ่ะอก็คือาศาสดาดีๆเนี่แหละใช่ไหมถ้ามันเป็นรูปแบบขึ้นมามันนำเลยนำสุดตัวเลยฉะนั้นที่บอกว่า ปุรณาัสปามคคิริโคสาราชิตาเกศกาบพลทั้งหลายเนี่ยก็มาจากตัวมิจฉาทิถีน้อยๆ น, นี่แหละแล้วก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นในีสุดจริงๆก็สามารถคนเคารพนับถือได้เห็นไหมมิจฉาทิถีแท้ๆคนนีเราเคารพนับถือได้คนก็สักราร บ, บูชาได้หนึ่งในนั้นเราเคยเคารพก็ใช่ไหมเอาเคยไหม เนี่ยเป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาคือธรรมชาติชื่อว่าปรินายกาธรรมชาติได้ ย, ย่อมเห็นแจ้งซึ่งทำทั้งหลายด้วยอํานาจอย่างอันี้จะลักษณะทุกขลักษณะนัตตลักษณะเป็นต้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นก็ชื่อวิปัสนาปัญญาธรรมชาติได ย, ย่อมรู้นิจลักษณะเป็นต้นโดยชอบโดยประการเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญานี่ก็คือเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยเลยมีความเพียนมีสัมปชัญญาเนี่นะ ธรรมชาติใดย่อมแทงจิต อ, อตรงนี้มาจากคาว่าจิตที่แล่นออกนอกทางเนี่ยก็เรียกจิตอะไรจิตออกจิตที่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอะไรเขาเรียกจิตขี้โกงใช่ไหมโดยมากเนี่ยถ้าไปเจอในคําสอนโดย ท, ทั่วไปเนี่ยถ้าแล่นออกนอกวิถีเนี่ยคือ ไม่ไปในสัมมามากยิไ่ไปในวิชามากอย่างนี้เขาเรียกมันโกงโคโกงวัวโกงหรือกระบือหรือควายมันโกงเนี่ยเวลามันเอามาใส่แอกใส่ไถเทียมแอกเทียมไถ ท, ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไปตามทางมันจะวิ่งงอกนอกวิ่งงอกนอกเคยฝึกวัวควายไหมโคฝึกยาก <c oughs> <c oughs> เวลาเอาไปฝึกแอกฝึกไถนี่นะเอาตัวเล็กๆมานี่นะก็จะฝึกแต่เล็กๆนี่ยนะ อามาฝึกเบรเซอร์มาเป็นคนคอยจับอยู่เลยคอยต้องจับเขาว่าแล้วเขาจะกระโดดเรยกระโดดแล้วก็เาต้องแข็งแรงกว่าเขานะถ้าเราถ้าเขาแข็งแรงกว่าเราเนยุ่งเลยต้องแข็งแรงก็ต้องจับหน้าเข้าหน้าเข้าก็ตีเขาบ้างตีซ้ายตีขวาไปเรื่อยๆหน้าเข้าหน้าเข่าก็หายกกมนี่ก็เดินตัวตรงแล้วอะไรแเนี่ยนี่ใช้ได้แล้ะนี่ก็เปึกนี่วิธีฝึกเกาฝึกนี่ไม่ใ้มันออกออกนอกทาง แค่เดินไปตรงๆนักเก้ามันจะเริ่มรู้ภา ษ, ษาเราเลยนี่เป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนั้นแหละเพราะจิตเนี่ยมันออกมันโกงมานานแล้วมันออกนอกทางมานานแล้วมันจะแล่นไปสู่รูปารมณ์บ้างสรัทธารมณ์กันดารมณ์รัาอารมณ์บวชอารมณ์อะไารมณ์ใช่ไหมมันแล่นไปสู่แล้วให้คิดเป็นไปตามทางของกุศลเนี่ยมันไม่คยคิดหรอกมันไม่ชํานาญ แล้วคิดแล้วก็มึน <Okay. S 1> ใช่ไหมอย่างที่ยอมบอกเมื่อกี้เนี่ยอะเป็นนั่งคิดแล้วก็มึนอยู่นั่นแหละก <Okay. S 1> ็มันโกงมันไม่เคยคล่องเลยเรื่องนี้ <Okay. S 1> ลองตรงกันข้ามดิลองคิดเรื่องกรรมะคุณดิ <Okay. S 1> ชำนานมาก <Okay. S 1> ใช่ไหมไม่ต้องใช้ความเพียนมากเลย <Okay. S 1> เพราะมันคิดทุกวันอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเออ น, นธรรมชาติที่มันได้ง่ายๆไม่ใช่กุศลเนี่ยไม่ใช่ผิดปกติแนละ้วถ้ากุศลจะเกิดในใจใครคล่องเลยเนี่ยนะแสดงว่าุญนเก่าเขาดีมากใช่ัหมอัตยาใสาเก่าเขาดีมากล้วอย่าแปลกใจนะคนบางคนเนี่ยที่เขาเจริญกุศลแล้วเขาตัดสินใจเจริญกุศลได้เร็วมากไม่ใช่เฉพาะเหตุในปัจจุบันภะพใช่ไหเหมือนนั่งรถมา ยอมที่ไปรับเนี่ยที่ยอมที่ขับรถให้ให้อยู่ก็แค่บอกว่าไปอ่านชายดอกห้าร้อยอ่านก็ไม่เชื่อเอามาเอ้ยไม่เชื่อไงเามาเขบอกว่ายังยกตัวอย่างเช่นว่าผู้หญิงจิตใจรวนเลมากกว่าผู้ชายเขาเห็นผู้ชายรวนเลเยอะ แล้มีหลักฐานอย่างจริงๆเลยนะแล้วทุกคนก็คิดอย่างเงี้ยอมาฟังแล้วมายืมๆบอยก็ว่าไปก็ ว, ว่าว่าไปเฉพาะแล้วก็พูดเรื่องอะไรนะั้มีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่ว่าพระโพธิสัตว์เกี่ยวกับพระราชาที่บอกว่าไปอะไรเที่ยวไปเล่นสกากันแล้วก็เอาผอู้ไปพูดเกี้ยกรองผู้หญิงนิดหน่อยก็เปลี่ยนใจใช่ไหมในตานองนี้เช่นไปได้พูดไม่ขี่คําแล้วยอม ไปไปใจอ่อนอไรเงี้เก็นไปไม่ก็ว่าัถ้ามาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือบางทีเนี่ยเราเราอ่านแค่พยันชนะแค่นี้แต่เราไม่เข้าใจเรื่องกรรมเฉลยอธิบายเขาฟังว่ายกตัวอย่างผู้ชายบางคนโลเลมีไม่มีผู้หญิงมั่นคงมีไม่มี แต่เราเคยรู้ไหมว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเคยเกิดเป็นหญิงมาไม่รู้กี่ร้อยชาติเ<ม>พิ่งจะมาได้อาตภาพเป็นชายแค่ชาติสองชาติสมมุติอย่างเงี้ย<ม>ความโลเลก็เป็นอุปนิสยาปัจจัยติดกระแสใจเข้ามาอยู่ฉะนั้นโดยอัตถะที่พูดเนี่ยท่านพูดถึงความเป็นหญิงนั่ น, นต้องอยังรู้ด้วยใช่แต่หญิงบางคนเขาใจมั่นคงก็มี แต่ความเป็นชายเขามาตั้งนานใช่ไหมเขาอาจจะเป็นเพิ่งเป็นหญิงได้ไม่เท่าไร่หรือเขาจะกลับไปเป็นชายอีกอย่างเดิมอลไรอย่างเงี้ยเราจะไปรู้แค่นี้เราต้องรู้เรื่องกรรมไม่ดีดังนั้นเราก็จะพลาดคือเขาบอกอ๋อและอีกอย่างไอ้กรณีที่บอกว่าพูดสองคำแล้วเปลี่ยนใจเนะนี่ยนี่อามาจักเห็นของจริงมาแล้วก็เลยยกตัวอย่างก็เลยยกตัวอย่างเล่ากรณีก็บางบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไ อ, ไอ จะมีไปแปดนไปบวอยู่กับาตมาเฮ้บวชได้ไม่สามวันเลยผู้หญิงก็เปลี่ยนใจแล้วก็เป็นเรียกผู้หญิงคนนี้มาด้วยผู้ชายก็โกรธทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นพระแทบจะสืกออกมาเล่นเราเสียงลงเลงลงเ ล, ล, ล, ลงมาให้อาตมาอบรมมาก็ให้เขาแล้วให้เขาผู้หญิงคนนี้มารักษาศีลอยู่ที่วัด มาก็มองอเป็นคนที่มีหน้าตาดีลักษณะอุปนิสัยเหมือนคนดีรู้เปล่ากันไหมเอามาก็อามาก็ถามไปทำไมแกบอกว่าพอเขาพูดแค่คำสองคำก็นอกใจเลยแล้วไม่เคยรู้จักกันมากคอยก็เลยก็เลยบอกโอ้เห็นไหมว่าเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม บางทีเราก็รู้แค่ปัจจุบันแต่มันมีจริงคนพูดคำสองคาเนี่ยเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยรู้เนี่ยว่าขนาดว่เห็นปุ๊บยังทนไม่ได้กันเลยแทบจะใจขาดตายกันยังมีใช่ไหมจ๊ะมีเรื่องต้องเยอะแยะหมดถ้าเราเลาก็ฟังว่าถ้าเราเกิดกับเราสักครั้งเราจะใช่ไหมเรื่องกรร ม, มวิจิตจะตายใครเป็นคนกําหนดเรือจะไหมเพราะอีกกรรมนี่แหละเป็นตัวกําหนด ก็เลยเล่าก็แปลงว่านั่นจริงๆเวลาอ่านตรงนี้ด้วยสาเหตุก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องดำให้ดีนในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ค่อยขยายไว้เพราะเรื่องที่ขยายท่านขยายไปแล้วใช่ไหมถ้าจะขยายทุกเรื่องแล้วจะทํำยังไงเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจคําสอนเราต้องเชื่อมโยงให้เป็นใช่ไหมถ้าเชื่อมโยงไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมอย่ากรณีทําไมเราคิดบุญไม่ค่อยออกใช่ไหมเพราะความชํานาญของเรามันคิดออกนอกทางมาอย่างยาว นั่นจะแปลกฉะนันถึงบอกว่าธรรมชาติของจิตเราจะเหมือนโกงเหมือนลูกบัวที่โกงฉะนั้นะแต่เราจะทํำยังไงละ่ะก็ต้องมัดใช่ไหมก็ต้องมาเอาอะไรมัดอ่ะสตินะสติอุปมาเหมือนเชือกมัดเอาไว้มัดไว้ที่หลักหลักก็คือว่าเราจะเจะเราบริหารอะไรเอาอะไรจะเป็นอารมณ์กรรมฐานในการที่บริหารก็ก็ว่าไปนั่นแหละถึงต้องมัดจริงๆถ้าไงั้นมันจะดิ้นออนอกวิถีเขาเรียกมันโกง นั้นธรรมชาติอะไรที่ทําลายความคดโกงได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าปัญญาอาทําลายความคดโกงนะนั่นตรงนั้นอะ่ะมันไม่ยอมแล้วบางทีเนี่ยขนาดดึงมัดเขาไว้นะมันไม่ยอมคิดเนี่ยคือปัญญาไม่ยอมมาเกิดเนี่ยให้มันก็มืนมืนอยู่งั้นแหละเคยเป็นไหมล่ะเอาคิดไม่ออกเลยนเหเอาทีให้อยู่ในบุญจริงกูก็จะอยู่อย่างเงี้ยให้เป็นบุญธรรมดาแต่อย่าจอะลึกไปกว่านั้นนะก็ต้องเพี้ยนนะ พยายามตรงนี้เอถ้าเราเดินอย่างนี้เราสังเกตที่ว่าเป็นกุศลยอยไหมอาจจะเป็นกุศลอยู่แต่ปัญญาไม่เป็นประธานใช่ไหมก็น้อมพุทธคุณยี้นะเราต้องฉลาดในการที่จะดึงหรือน้อมอะไรต่างๆในการที่จะทําให้เกิดความเลื่อมใสความผ่องใสขึ้นมานักเข้าหนักเขาก็เข็นไปให้ได้ต้องต้องไม่ยอมก็คือหมายความว่าตัววิริยะที่จะไม่ยอมละก ร, รมที่เป็นกุศลเนี่ยสําคัญ นั้นถึงจะไม่มีปัญญาเกิดไม่เป็นไรขอไอ้กุศลเดินก่อนใช่ไหมให้เป็นไปกับกุบกศลก่อนอย่าจะให้ร้อนดิใช่ไหมแหมก็เราเล่นคิดบาปมาทั้งหลายทั้งสายแล้ววัดจะมาคิดบุญภายในเจ็ดวันนี้มันเป็นเรื่องยากมั้ยใช่ไมใช่อย่าไปท้อมันตรงนั้นนะอย่างนี้ตีมันดีเขาเรียกพอพอสู้กันนะยังไม่ใช่ถ้าไปแพ้ดิแหมแพ้แป๊บรลลูเลยแหมไม่ดีเลยใช่ไหมใช่แป๊บแป๊บก็คิดออกคิดออกถ้าเราคิดอะไรออกได้เร็วเนี่ย เราจะไม่ค่อยสบายใจหรอกอ่ะไม่ค่อยสบายใจนะเลยนี่ทําไมเราใช้ความเพียร น, น้อยอย่างนะักเข้ประมาทเสมอใช่ไหมอ้าวหลายๆคนเนะี่ยที่เรียนเก่งๆทั้งหลายเนะี่ยประมาทแล้วก็ต่เขา้นะเขา <c ười> <c ười> จะไปเป็นครูว่างเป็นหมอเป็นอะไรไม่เคยจะเป็นกับเขาเราพวกนี้ขี้เกียจแต่ฉลาดมากก็เห็นใช่ไหมรุ่นเดียวกันเนะี่ยทำไมจะอฉลาดมากเขาเก่งกว่าเราอีกทํามานั่งดูสือด้วยกันนี่เขาปุไปหมดแล้ว แต่เดิมากไม่ค่อยจอบเราพวกเนี้ยชกตัวอย่างนะอัลมาเนี่ยเรียนเลยไม่ค่อยจอบก็เราสมัยก่อนไปเรียนนีเรียนทําไมเนี่ยเข้าใจง่ายเขาจะเป็นนักเนี้ยนะเสียเลยเงี้ยงั้นพวกนี้พวกเรียนเก่งๆทั้งหลายจริงๆนี่ยนะไปไม่จบแบบเรพราะวิญญาณน้อยมันเสียตรงไหนีิกลวจะมาปรับตัวเองได้โอ้เป็นยังไงสำหรับคนที่จบจบอะไรนั่นเดิมากคนคนทนเป็นคนใช้ความเพียรพยายามทั้งนั้น ใช่ไหมเดี๋มาเก็เป็นยางงั้นอภิการต่อไปก็คือว่าธรรมชาติที่ชื่อว่ า, าคำว่าหมายหมายหมายความว่าการที่ว่าย่อมแทงจิตที่ออกนอกทางเนี่ยนะออกนอกทางในที่นั้นก็ในความหมายโดยที่ทั่วไปก็เรมันโกงแล้วมันแล่นไปสู่นอกทาง เพื่อต้องการจะยกขึ้นสู่ทางหรือว่าปรับเข้าหาเส้นทางอ่ะก็ตรงนี้อะโดยคําสอนโดยทั่วไปท่านจะอุปมาเหมือนกับไอตัวประตักประตักที่ไว้แทงมา้าแทงวัวเขาไว้แทงใช่ไหมแทงทําไมเวลามันจะวิ่งออกนอกทางก็แทงไว้แทงไว้ใช่ไหมหรือเหมือนตะขอที่คอยสับสับช้างทั้งหลายเนี่ยนะพวกม้าสินทบทั้งหลายเนี่ยที่วิ่งออกไปนอกทางเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่เส้นทางเนี่ย นันธรรมชาติของปัญญาที่เป็นสัมปชัญญะเป็นต้นก็เป็นไวอย่างนั้นอีกชื่อหนึ่งนะมีคําว่าปะโตทาก็คือเป็นเหมือนกับปตักธรรมชาติใดย่อมประคองความเป็นใหญ่ในลักษณะคือการเห็นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอินทรีแต่เนี้ยเป็นปตักก็ได้ปตักก็เกี่ยวในเรื่องไว้แทงนี่แหละไว้ซับ น, นี่แหละหรือถ้าเป็นใหญ่ก็คือเป็นชื่อว่าปัญญรีย์ไม่วันไวก็เรียวกว่าปัญญาภะ ปัญญาประดุดดังสัตตาเขาเรียกปัญญาสัตตนี่นะทําไมจึงเรียกว่าประดุดดังสาัตตาเพราะว่าตัดกิเลเสได้เหมืนอาวุธเลยนะอีกศัพ์หนึ่งมาจากคำว่าปราราโทเนี่ยปัญญาประดุดดังปราราสัตเนี่ยพุ่งขึ้นสูงถ้าสว่างก็คืออะโลกานะปัญญาโลกาเนี่ยอธิบายสองแสงสว่างโอภาษคือปัญญาก็ได้ ความโพลงขึ้นคือปัญญาปัญญาปัจโชตะเพราจจถว่าโชคช่วงโดยทั่วไปเป็นความจริงผู้ที่มีปัญญานั่งอยู่ในบังลังอย่างเดียวนะมื่นโลกธาตุเป็นโลกที่มีแสงสว่างเป็นอันเดียวเป็นต้นได้ก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะแทงตลอดได้ก็ที่ยกตัวอย่างพระบรมศาสดาใช่ไหมในขณะที่ท่านตรุษนุตระ ส, สัมมาสัมปวิยานเนี่ยเนี่ยอลาธรรมะที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยปัญญาของท่านแทงตลอดเขาถามนะ ก็าตามประเด็นกันว่าอารหัตตมรักเนี่ยเกิดขึ้นขนาดเดียวใช่ไหมที่โพธิวลังเนี่ยทําไมจึงบอกว่าสามารถเป็นปัญญาปโชตะแสงสว่างไปตั้งแสนโลกธาตุเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นได้อะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโอตรงเนี้อธิบายยากอธิบา ย, ยางไงขนาดเดียวอย่างเงี้ยทําไมแล่นไปถึงตั้งแสนโ ล, โลกธาตุต้องเอาอะไรอุปมามาเปรียบเทียบเพื่อให้ชัดถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ย อภิญญาจิตอุปมาอย่างนี้ดีกว่าอย่าชัดตัวอภิญญาจิตเนี่ยเกิดขนาดเดียวใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่อภิญญาจิตเกิดขนาดเดียวนั้นน่ะจะ ก, กําหนดหมายในการที่จะรู้ไปยันไน่ไม่รู้กี่โลกประาธาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตัวปัญญาที่เป็นอภิญญาหนึ่งขณะอุป า, าทาธิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นี้ใช่ไหม แต่เพราะปัญญาที่เป็นอภิญญานั่นแหละเป็นตัวกําหนดกําหนดหมายกําหนดเจตจํานงไว้ให้กําหนดช่องทางไว้ให้แม้เพียงเกิดขนาดเดียวนั่นแหละก็เป็นเสมือนหนึ่งตัวนําล่องเป็นตัวกําหนดขอบเขตไว้กําหนดความกว้างขวางไว้ให้ไว้ได้หลังจากอภิญญาดับไปแล้วเนี่ยกุศลและกิริยาที่เกิดตาม ที่เป็นชาวนาจะเป็นบุกปุรุชนหรือเสกษตรกรเนี่ยนะเป็นกุศลเนี่ยกุศลชาวนาก็แล่นไปตามขอบเขตที่อภิญญากําหนดไว้ให้นั่นเองฉะนั้นจึงชื่อว่าอภิญญานั้นน่ะเป็นผู้เห็นแ ท, ท้จริงก็คือมหมายกุศลหรือมหมายกิริยาเป็นผู้ตามเขาไปวิจัยทีที่หลังเหมือนปุเพนิวาสารุสติญาณตัวปุเพนิวาสารุสติญาณเป็นอภิน ญ, ญาจริง แต่หลังจากนั้นเป็นมหากุศลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมที่ท่านแล้วท่องเที่ยวแล่นไปด้วยมีปัญญามีสติเป็นต้นเหล่านี้มีวิริยะเป็นต้นไปไขครวนกระแสขันธ์ธาตุอเจตนะที่เป็นไปในสังสารวัฏอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เป็นต้นในการกาหนดใช่ไหมท่านเห็นทั้งปรมัตและบัญญัติเกิดขึ้นเป็นต้นได้เข้าใจยังแต่มีตัวพิญญาเป็นตัวเกิดก่อนเป็นตัวนํา อรหัตตมรรคของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทำลายกิเลสก็นในยะเดียวกันที่เป็นปัจจัยแก่มหากริยาญาณสัมปยุตในการนี่ทังตลอดโลดลล่ว ง, งวไปในแสนโกจักรวาลเป็นต้นเหล่านี้กระแสขันเท่า ก, กระแสขันใช่ไหมสัพพัญญตยานานาวรณัญาณวิ่งแล่นทะลุทะลวงหมดเลยไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาเรียกปัญญาให้แสงสว่างเป็นปัจโชตะอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหมมันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้น เพราะว่าขนาดเดียวเนี่ยใช่ไหมแต่ด้วยขนาดเดียวนี่แหละเป็นอุบัิเหตปัจจัยไหมก็ทําให้เกิดความโลดแล่นในการที่จะสามารถทะลุดทะลวงอะไรได้หมดเลยนี่เป็นนี้เข้าใจไหมดูมองทำท่างงงงเลยคิดยากเลยนี่ไปคิดไม่เกิดแต่เข้าใจได้มพื่อนหมอเขยจะเข้าใจได้เลย แม่จะไปรอเกิดแล้วมานั่งเรียนเลโย่ถ้าเกิดกรยมอมมาดมาก็ไม่สอนยอมแล้วยอมดีต้องสอนอ้ดามาใช่ไมันไม่จะรอให้เกิดใช่ไหมอันนี้มันเข้าใจได้ไหมไม่พยักหน้าน้อยแล้วเกิดไม่จินตนาการเราจับโครงสร้างคําสอนให้ชัด แล้วก็อัฏฐะต้องต้องเข้าใจอัฏฐะอัฏฐะตรกนั้นใช่ไหมมองเห็นได้ไม่ใช่ไม่เห็นเห็นไม่ได้ถามว่าในสังสาวัฏที่ผ่านมาเคยระลึกชาติได้ไหมเคยทําไมจะไม่เคยล่ะงานระลึกชาติได้เนี่ยเคยระลึกแบบเทนถีก็เคยมาแล้วระลึกแบบสัมาทิฏฐิก็ระลึกมาแล้ว แต่มันมันไม่ได้มรคแค่นั้นเองกรรมที่เราไม่ได้ทําคือมรค ก, ก, กรรมเนี่ยนอกนั้นทํามาหมดแล้วฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยได้อัตถะทาไมจะไม่เข้าใจเลยต้องเข้าใจให้ได้ใช่ไหมยังแต่เราเรียนมากๆศึกษาฟังมากๆต้องเข้าใจใช่ไหมพยายามให้ออกให้ห่างกันมาคุณเยอะๆหน่อยแล้วเยะเข้าใจ ใช่ไหมออกห่างวัตถุกรรมกิเลสกรรมเดี๋ยวไปพัวพันกับกิเลสกรรมวัตถุกรรมใช่ไหถ้าไปไปติดพันกับตรงนี้ม า, มากๆ่าศึกษาพระธรรมไม่ค่อยเข้าใจเพราะตัวนี้เป็นตัวขวางตัวกั้นนะใช่ไหมพยายามมองพยายามพยายามไข้ควรวัตถุกรารมทั้งหลายเรานั่นนี่เป็นโทษเยอะเยอดี๋ยวก็เข้าใจกันนี่ก็เรียกวปัจโชตานะปัญญาปัจโชตาน พระพุทธเจ้าจึงจะมีดำํำรัสว่าถึงในสามบทที่ว่าปัญญาอโารกาปัญญาโอภาโอภาสะและก็ปัญญาปโชตานี่นะเป็นบทเดียวกันนั่นแหละโดยอัฐะอันเดียวกันพยัญชนะต่างดูก่อนพิกษุทั้งหลายแสงสว่างมีอยู่สอย่างสี่อย่างก็คืออะไรแสงสว่างแห่งพระจันทร์แสงสว่างพระอาทิตย์แสงสว่างของไฟและแสงสว่างของปัญญา ในสี่ประการเหล่านั้นพิกษูตทั้งหลายบรรดาแสงสว่างทั้ง4อย่างเหล่านั้นแสงสว่างที่เป็นปัญญาจัดว่าเป็นยอดฉะนั้นแสงสว่างของพระอาทิตย์แสงสว่างของพระจันทร์แสงสว่างของไฟเทียบกับแสงสว่างของปัญญาไม่ได้เพราะแสงสว่างเหล่านั้นไม่สามารถกําจัดราคาตัสาโมหะในกมลสันดานของสัตว์ได้แต่แสงสว่างกล่าวคือปัญญานี้สามารถขจัดราคาตัวสาโมหะในกลามลสันดาลของสัตว์ได้ใช่ไหม ทีนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพระองค์ทรงจำแนกไว้โดยอาการไม่ใช่น้อยเป็นอันว่าทรงจำแนกไว้ดีแล้วสัตว์อื่นก็ย่อมตัดสู้ได้ด้วยอาการอย่างอื่นและสัตว์อื่นย่อมรู้ได้ด้วยอาการอย่างอื่นต่อๆไปก็หมายความบอกว่าทําไมพระเจ้าจึงจำแนกปัญญาไว้มากมายพอให้เหมาะกับอัธยาศัยของสัตว์เนาะใช่ไหมอย่างเราที่ฟังอัด น, นี้ไม่เข้าใจก็ต้องก็อดูวางอีกอัดหนึ่ง สรุปแล้วเราฟังไว้ทุกอัดแล้วนะอันนั้นก็แปลว่าเพราะความเข้าใจหวังฝังไว้เป็นอัธยาศัยแล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือใครองค์คนต่อไปอมากล่าวพก็ทำแล้วบอกโอ้ยลึกซึ้งหมดเลย <c oughs> แต่ตัดสรุปไม่ได้ตรงเนี้ตรงนี้ <c oughs> นลําบากตรงนี้แต่ว่าจริงๆตรงนี้อัฏฐาตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์แสดงตามอัธยาศัยเนี่ยอัธยาศัยเข้าใจ เราก็พยายามเจาะทุกอธัธยาศัยเราจะเห็นในความชัดเจนตั้งแต่ลอัฏฐะไม่เท่ากัน mm. นี่ให้สังเกตอย่างนี้เวลาศึกษาพระธรรมบางอัฏฐะนี่เราอ่านไปเอออัฏฐะนี้ไม่เข้าใจอย่าอย่าเสียใจมีอัฏฐะที่พระองค์บอกไว้อีกที่จะทําให้เราเข้าใจมีเพราะพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดถึงพร้อมในอัฏฐะและพยัญชนะเหมาะแก่อัธยาศัยคิดล่วงหน้าไว้หมดแล้ว แค่นั้นพวกเรายังสามารถลิ Aunque, ้มรสพระธรรมของพระเจ้าได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเรานั้นยังไม่ได้อัตถะที่ถูกอัจฉริยะใสเราหรือบุคคลที่แสดงถูกอัจริยะใสใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้แล้วอาจจะเป็นพุทธเวในใช่ไหมแล้วก็ฟังว่าเป็นอัจฉริยะใสไป พอบอไม่เอาแล้วจะตัดสรูก้กระพา้ารูปรูปธรรมดาจะต้องการตัดสลุ้ต่อหน้าพระพักเนี้ยบางคนคิดอย่างนั้นอเอาสิใช่ไหมเขาต้องการบางคนไม่ใช่อย่างนั้นเลยต้องการคิดเองให้ตัดสรุเงี้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ขายิ่งใหญ่ใช่ไหมเขาคิดเขาคิดที่กว้างขวางนั้นก็แต่จริงๆต้องศึกษาทั้งนั้นทุกกลุ่มต้องใค ร, คร่ควรต้องใค ร, คร่ควรต้องพิจารณาทั้งนั้นใช่ไม่ใช่ก็ต้องเก็บเกี่ยวในการที่จะรับรู้พระธรรมของพระเจ้ามากๆนันก็เป็นอย่างนี่ จบแล้วปัญญาเอาให้จบอีกนิดหนึ่งก็หมายความบอกว่าเป็นการจำแนกรัตนะคือปัญญารัตนะเพราะทำความยินดีให้ได้นะประทานความยินดีให้ได้เกิดความยินดีกระทำความปลื้มใจให้ได้ปรากฏว่าหาได้ยากยิ่งไม่มีรัตนะอื่นเสมอเหมือนเพราะอัจจะว่าเป็นเครื่องใช้สอยสําหรับผู้ที่ไม่ต่ําซามนะแก้วคือปัญญารัตนะทำให้สัตว์นั้นหายความลุ่มหลงได้ออกจากความลุ่มหลงได้ ตนเองย่อมไม่รุ่มหลงในอารมณ์แล้วก็ไม่อารมณ์ในที่นั้นคือไม่รุ่มหลงในประมัตและบัญญัตินะเพราะประมาตเป็นอารมณ์ของจิตได้ไหมบัญญัติเป็นอารมณ์ของจิตได้ไหมแต่ถ้าจิตมีโมหามีมิจฉาทิฏฐิแล้วจะรุ่มหลงในประมาตและบัญญัติแต่ถ้าปัญญาอยู่ในกระแสจิตของท่านผู้ใดที่เป็นวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นแล้วจกไม่รุ่มหลงในประมาตและบัญญัตินี่เป็นอย่างไงไม่ใช่ว่าปัญญาไปอยู่ในกระแสจิตของท่านผู้ใดแล้ว ปัญญาของท่านผู้นั้นรับบัญญัติไม่ได้อยจะไปที่วายมันยุยยย่งเลยรับได้เขารับได้อย่างเป็นผู้ไม่ล่มหลงในปรมัตและบัญญัติให้ต้องเข้าใจอย่างนั้นเถอะเข้าใจปะ่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ห้ามรับบัญญัติยันยุ่งอย่าไปห้ามเขาไม่ให้ล่มหลงเพราะกิจของท่านน่ะไม่ล่มหลงต้องไม่ล่มหลงในปรมัตและบัญญัติถ้าเป็นโลกียวิปัสนาต้องไม่ล่มหลงปรมัตและบัญญัติโดยตั้งก็ประหาร ถ้าในขณะโลก right. man, etz, PR, yi, ุตระต้องไม่ล hmm. right? ่มหลงในปรมาภิ์และบัญญัติโดยสมุูเชท่าปรหารต้องเป็นอย่างนั้นต้องบอกอย่างนั้นเขาเรียกว่ากิจของเขาคือไม่ล่มหลงเลยไปห้ามเนี่ยถ้าไปห้ามแล้วมันเหมือนไปจํากัดเขาใช่ไหมอย่าไปขังข้อเขาสิใช่ไหมอย่าไปขังข้อวิธีไม่ก็ไปไกลแล้วบัญญาปัญญาก็จะต้องแทงตลอดในเรื่องต่างๆแบบนี้เอาเป็นานว่าตรงนี้บัญญัติเขจบไว้ตรงนี้นะ ได้วิริยะก็ได้กับปัญญาพอจะเข้าใจนะ ง, งั้นเดี๋ยวว่าพระทุนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธพะวูทางพะวัสดิัดิวัสสัิสวัสดพะวิสวัสดิ์ระระวัะสาัิสัพัิ์ัสพสวัสพสวัพะวสรัิวัะะวะสวะะสัสัั เดี๋ยวเอาเครื่องอัดมา